มหากัะสปะสูตรในหน้า95ข้อ43าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่หน้าพระวิหารเวลุวันกาลันทกะนิวาปะสะานใกล้กรุงราชครึกก็สมัยนั้นแลท่านพระมหากัะสปะอยู่ที่ถ้ำปิดพลิคูหาอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนัก สมัยต่อมาท่านพระมหากษัะหายจากอาภาษ์นั้นแล้วได้คิดว่าไะนเราพึงเข้าไปสู่พระนครราชเครื่เพื่อบินธบาตก็สมัยนั้นเทวดาประมาณ500ถึงความขวนขวายเพื่อจะให้ท่านพระมหากษัะได้บินธบาติท่านพระมหากษัะห้ามเทวดาประมาณ500เหล่านั้นแล้วเวลาเช้านุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปสู่พระนครราชครื่ เพื่อบินทบาตตามทางที่อยู่แห่งมนุษย์ขัดสนที่อยู่แห่งคนกำพร้าที่อยู่แห่งช่างหูและก็ไปเดินบินธบาตในตรอกซอกซอยที่ถือว่ายากจนที่สุดนี่นะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหากัสปะกําลังเที่ยวบินธบาตในพระนครราชครึกตามทางที่อยู่แห่งมนุษย์ขัดสนที่อยู่แห่งมนุษย์กำพร้าที่อยู่แห่งช่างหู ลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงเป่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าเรากล่าวบุคคลม่ใช่ผู้เลี้ยงคนอื่นผู้รู้ยิ่งหรือผู้รู้จักตนดีผู้ฝึกตนดีแล้วดํารงอยู่แล้วในสารธรรมผู้มีอาสวะสิ้นแล้วผู้มีโทษอันคายแล้วว่าเป็นพราหมณ์อันนี้ก็คือคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของพระอาหารหันต์เหมือนกันเนี่ยนะ ในขนาดพระ อ, อรหันตสาวกท่านยังมีคุณสมบัติเช่นนี้จะกล่าวไปยายถึงพระตถาคตอรหันตสัสมมาสัมพุทธเจ้าข้อความนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองราชครึกนะในวัดเวลวันวัดเวลวันกาลันทกะนิวาปสสถานมีข้อความน่าสนใจที่บอกว่าเมืองราชครึกเนี่ยนะเป็นเมืองอยู่ในสมัยพุทธกาลและสมัย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 เมืองที่ใหญ่แล้วก็ไม่ต้องสร้างกำแพงเมืองอะไรในในสมัยสมัยโบราณเนี่ยนะใครที่เลือกทำเลถือเอาเมืองราช จ, จะคลึกสร้างเมืองนะี่ถือว่าเลือกชัยภูมิที่ดีเพราะว่ามีเขาล้อมรอบถือว่าป้องกันข้าศึกศัตรูได้ไม่ยากเนี่นะขนะ้าศึกจะมาลุกรานก็ไม่ใช่จะทำได้ง่ายเพราะว่ามีภูเขาสูงเป็นกำแพงเมืองส่วนที่วัดเวลุวันเนี่ยนะสวนไม้ไผ่เนะี่ย ได้ยินว่าพระเวลุวันเนี่ยนะที่ชื่อว่ากาลันทกะนิวาปะปกติแล้วสวนเวลุวันนั้นมีกำแพงสูงสิบแปดสอกก็9ก้าเมตรนะเนกำแพงสูง9เมตรประดับไปด้วยพระคันทกุตีใหญ่สมควรเป็นที่ประทับอยู่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าและด้วยสิ่งอื่นมีปราศาสกุตีที่เรนมณดกที่จงกรมและซุ้มประตูเป็นต้น ภายนอกแวดล้อมไปด้วยไม้ไผ่สีเขียวน่ารื่นรมเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเวลวนนะซึ่งใครได้ไปตอนนี้ก็คงเห็นชัดว่ายัางเป็นสวนที่น่ารื่นรมอยู่นะตอนนี้ก็ถือว่ายังน่ารื่นรมน่าพักน่าอยู่น่าอาศัยเหตุผลที่เรียกกลันทกะนิวาปะเนี่ยนะนะเพราะเป็นที่ให้เหยื่อแก่พวกกระแตสมัยก่อนมีพระราชาอ ง, งค์หนึ่งนะพระราชาก่อนพระเจ้าพิมพิสารอีก พระราชาพระองค์นั้นเสด็จไปประพาสณพระราชอุทยานก็คนเที่ยวสวนจะมีอะไรนอกจากดื่มน้ําเมาใช่ไหมเหมือนเมสาอย่างนี้แหละก็เลยเมาน้ําจันทร์กันนี่พอเมาก็บรรทมกลางวั น, นนะคือเมาไปเต็มที่ก็หลับฝ่ายบริวารของพระราชานั้นคิดว่าพระราชาบรรทมหลับแล้วถูกประลั๊วปลมด้วยดอกไม้และผลไม้จึงหลีกไปคนละทิศทางก็ไปเที่ยวเล่นชมสวนกันครั้งนั้นงูเห่าเลื้อยออกจากโพรงไม้ต้นหนึ่ง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 นะคือวัสการพราหมณ์เนี่ยเป็นคนที่เป็นมหาอมาตย์ของพระเจ้าพิมพิสารและก็เป็นมหาอมาตย์ของพระเจ้ า, าชาติสตรูวาจาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เห็นพระมหากาจัจจยนะก็เลยบอกว่าพระรูปนี้เหมือนลิงนะกิริยาเหมือนลิงเลยก็คือพูดด้วยความดูหมิ่นเหยียดยามนั่นแหละเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกให้วัสการพรามณ์เนี่ยไปขอขมาพระมหากาจัจจยนะเพราะถ้าไม่ขอขมาจะเกิดเป็นลิง วสการพรามนี่มีมา n ะมากที่จะยอมตัวไปขอขมาพระเทระนี่ทำไม่ได้แล้วรู้ด้วยว่าพระพุทธพจน์นั้นตรัสคำใดต้องเป็นคำนั้นแกก็เลยสั่งบริวาเนี่ยไปปลูกสวนกล้วยเอาไว้ใหญ่เลยตัวเองเกิดเป็นลิงแล้วจะได้กินกล้วยได้ในที่สุดก็เกิดเป็นลิงเหมือนกันเพราะเวลาลิงนี้เดินไปเนี่ยพระพิสุก็เรียกว่าวสการลิงอเงียบเลยนะลิงตัวนั้น เ, ง, เงียบเลยนะก็คือพอระลึกชาติได้อยู่บ้าง ว่าสการพรามนี่ก็ถือว่าเป็นคนที่ทําบุญพอสมควรเหมือนกันแต่ก็ยังว่าเกิดมาในสมัยเกิดมาในโลกเนี่ยนะเดี๋ยวก็ทุจริตบ้างสุจริตบ้างแต่ทีนี้ทุจริตที่หนักก็คือไปอายุประ ว, ว่าร้ายพระอริยะก็เลยมีโทษมากไปอบายเลยครับนี่มาพูดถึงพระมหากระสปะเนี่ยนะพระมหากระสปะนั้ น, ะ น, นชื่อว่าพระมหากระสปะเพราะเป็นพระกระสปะผู้ใหญ่ เหตุก็คือท่านประกอบด้วยคุณมีศีลขันธ์เป็นต้นท่านมีกองศีลมีกองสมาธิมีกองปัญญามีกองวิมุติมีกองวิมุติยาวิมุติยานัทสนะเนี่ยนะก็คือศีลสมาธิปัญญาที่เป็นโลกิยะโลกุตระวิมุตินี้เป็นโลกุตระอย่างเดียวส่วนวิมุติยานัทสนะเป็นปัจเจกขณะญาณและท่านยังมีคุณธรรมอย่างอื่นอีกเช่นอภิญญาหสมาบัติ8ดวิโมกแปดเป็นต้นเป็นคุณเป็น พระที่พระพุทธเจ้ า, ายกย่องมากยกย่องว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยประกอบมีอย่างคุณธรรมอย่างใดเนี่ยนะเช่นมีสมาบัติแปอย่างใดพระมหากสปะก็มีอย่างนั้นพระพุทธเจ้ามีอภิญญาหกอย่างใดพระมหากสปะก็มีอภิญญ า, าเช่นนั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่เล็งเห็นเลยว่าพระอัครส า, าวกพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะปรินิพานไปก่อน แต่พระมหากรสปะยังอยู่พระมหากรสปะนี้จะเป็นประธานร่วบรวมพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นประธานในการทำสังคยนาเนี่ยนะพระองค์จึงยกย่องพันพระมหากรสปะถือว่าเป็นสาวกที่สามต่อจากพระโมคคลานะน่นอีกอย่างหนึ่งพระมหาเถระองค์นี้เรียกว่าพระมหากรสปะก็เพราะเทียบกับพระกุมารกรสปะ พระกุมารกสปะนั้นก็เป็นเอตทัคคะในการกล่าวธรรมได้วิจิตเนี่ยนะกล่าวธรรมได้วิจิตมากพระมหากสปานั้นอาพาธอยู่ที่ถ้ำปิดพลิคูหาที่ใกล้ประตูถ้ำนั้นมีต้นดีปลีต้นหนึ่งก็เลยเรียกถ้ำนี้ว่าปิดพลิคูหาเรียกว่าถ้ำดีปลีหรือเปล่าตอนนั้นอาพาธิโกก็คือเป็นอาพาธอาพาธก็คือมีการป่วยไข้เป็นทุกข์ นะเกิดความทุกข์ทางร่างกายร่างกายประสบไปด้วยความทุกข์บางแห่งก็บอกว่าท่านได้สูตรกลิ่นเกษรเข้าไปสูตรกลิ่นเกสรเนี่ยนะมันมันจะมีบางช่วงที่ที่เกอรดอกไม้เนี่ยลอยปลิวไปท่านก็สูดเข้าไปแล้วก็พิษเนี่ยนะพิษก็มีขึ้นก็ทำให้ป่วยพาละหะคีลาโนได้แก่เป็นผู้มีความไข้หนัก แต่พระมหากรสปะนี้มีสติสัมปชัญญะอดกลั้นความไข้นั้นได้คือถึงจะปวดจะปว่วยขนาดไหนจิตใจก็ไม่กระสับกระส่ายจิตใจก็ดำรงอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะไม่ทิ้งสมถะและวิปัสสนาอะไรไม่ปล่อยให้บาปอากุศลกลุ่มรุมเพราะท่านเป็นท่าหาันแล้วครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเหตุคือความเจ็บปว่วยของพระมหากรสปะ พระองค์ก็เสด็จไปที่นั้นตรัสโพชงขาปริตด้วยโพชงขาปริษนั่นเองพระเถระจึงหายจากอาพาธนั้นฟังคําแล้วหายป่วยเลยนะก็ดูใครป่วยแล้วก็ฟังเนี่ยโธชงฆาปริตดูว่าจะหายป่วยไหมก็โดยสมัยนั่นแหลอันนี้ข้อความในโพชงฆาสังยุทธเนี่ยนะโธชงฆาสังยุทธมาว่าท่านพระมหากาาาษัตริอาพาธเป็นทุกข์มีไข้หนักอยู่ที่ถ้าปิดผลิคูหา ครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่เร้นเสด็จเข้าไปหาพระมหากระสปะถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้ประทับบนอาสนะที่ตกแต่งไว้ครั้นประทับนั่งแล้วนีก็ได้ตรัสพระดํารันนี้กับท่านพระมหากระสปะว่ากระสปะเธอพอทนได้หรืออันนี้คำคำของคนไปเยี่ยมไข่ะนะพอทนได้หรือพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือ ทุกขเวทนาสั่งลงไม่กำเริบหรือที่สุดของความสั่งทุกขเวทนาปรากฏความกำเริบไม่ปรากฏหรือคือหมายคืาว่าความเจ็บป่วยนี้ลดลงไปแล้วใช่ไหมความหายป่วยได้ปรากฏขึ้นบ้างไหมนก็ถามถึงอาการของเวทนาที่จริงเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้ไปทุกสิ่งทุกอย่างถามทาไมถ้าตั้งคำถามแบบนี้ถามทำไม ถามเพื่ อ, เ, อเพื่อให้มีเหตุจะได้ปรารบธรรมเป็นต้นนะนะแล้วก็เป็นการพูดเพื่อเพื่อเป็นแนวทางนะเพื่อจะได้ให้กำลังใจแก่คนป่วยไขย้ปกติไข้าทางกายเนี่ยนะเป็นเหตุใกล้ให้ไข้าทางใจปุตุชนทั้งหลายอันนี้เว้นปุตุชนนะเว้นพระอริยเจ้าโดยมากนั้นเมื่อเกิดความทุกข์ทางร่างกายจะตามด้วยความทุกข์ทางจิตใจเสมอ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 ความสิ้นสุดแห่งความกำเริบยังปรากฏความสั่งลงไม่ปรากฏพระเจ้าค่ามีแต่ป่วยขึ้นป่วยขึ้นเอ๊ะทท่าจะหายนี่ไม่ค่อยเห็นเลยมั้งนันพระผู้มีพระภาคาเจ้าก็ตรัสว่ากัสปะโพชงเจ็ดเหล่านี้เรากล่าวชอบแล้วอบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อตรัสรู้เป็นไปเพื่อปรินิพานหรือว่าโพชงเนี่ย พ่อชงแปลโดยศัพ์แปล ว, ว่าองค์แห่งธรรมะที่ทำให้ตรัสรู้หรือองค์แห่งความตรัสรู้หรือพระอริยส า, าวกผู้ประกอบด้วยองเจ็ดเหล่านี้แล้วก็จะตื่นจากความหลับคือกิเลสตรัสรู้สัจจะพ่ชงทั้งเจดนั้นที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ถูกต้องแล้วไม่มีผิดพลาดถ้าหาว่าพาวิตาคือทำให้มีขึ้นอบรมขึ้นพระหุลีกตาทาให้มากๆขึ้น อภิญญายะย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิง่งก็คืออบรมโพชฌงเจตจะเป็นไปเพื่ออริยมรัสัมโพธายะเป็นไปเพื่อตรัสรู้นิพพานายะเป็นไปเพื่อพระนิพพานอันถ้าเจริญโพชฌงได้ดีถูกต้องเป็นไปเพื่อมรัสและนิพพานโพชฌงเจตมีอะไรบ้างดูก่อนกัสปะสติสัมโพชฌงอันเรากล่าวชอบแล้วอบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิง่งเป็นไปเพื่อตรัสรู้ เป็นไปเพื่อนิพพานเนี่ยนะถ้าเป็นผู้ที่อบรมสติปัฏฐานเนี่ยนะพอใช้คำว่าสติสัมโพชฌงก็คือสติปัฏฐานอนุปัสนาที่เกิดร่วมกับสติอันนั้นแหละที่พิจารณากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยนะใครที่เจริญระดับมัคคามัคคายาณทัศนวิสุทธิอบรมอนุปัสนาได้พอฟังคำว่าสติสัมโพชฌงสติที่เป็นองค์ให้ตรัสรู้เนี่ยนะก็เข้าใจได้ทันทีว่าสติเหล่านี้เนี่ยนะ ถ้าหากว่าเจริญทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อรู้ยิ่งตรัสรู้เพื่อนิพานคือเป็นไปเพื่อมรรคผลจริงๆธรรมวิจยสัมโพชงวิริยะสัมโพชงปีติสัมโพชงปัสสัทถิสัมโพชงสมาธิสัมโพชงและอุเบขาสัมโพชงดูก่อนกส ป, ปะอุเบขาสัมโพชงแลเรากล่าวชอบแล้ว อบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อตรัสรู้เป็นไปเพื่อนิพพานดูก่อนกัสปะโทษชงเจ็ดเหล่านี้แลเรากล่าวชอบแล้วอบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อตรัสรู้เป็นไปเพื่อนิพพานพอพระผู้มีพระภาคแสดงจบลงพระหมหากัสปะก็ทูลขึ้นว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าโพชชงเนี่ยดีแท้ ข้าแต่พระสุคตพโพชงนี่ดีแท้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสคํานี้ไว้ท่านพระมหากระสปะดีใจเพลินภาษิทธของพระผู้มีพระภาคเจ้าและท่านพระมหากระสปะก็ได้หายจากอ า, าพาธนั้นแล้วและอ า, าพาธนั้นก็เป็นอันชื่อว่าพระมหากระสปะละได้แล้วอย่างนี้ฟังยังให้หายป่วยได้คือที่ท่านหายป่วยนี่หมายถึง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 พอระลึกถึงเนี่ยนะท่านบอกว่าเมื่อจิตก็ผ่องใสเมื่อจิตผ่องใสก็ทําให้หัตถยวัตถุผ่องใสอันนั้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงก็ผ่องใสการไหลเวียนของเลือด ก, ก็เลยทําให้หายป่วยหายไข้ได้หลังจากหายป่วยนีนะท่านพระหมหากัะสปะก็ฉันบินทบาทปกตินะตอนที่ท่านป่วยลูกศิษย์ของท่านก็บินทบาทนําเข้าไปถวายในเวลาป่วยไขย้เวลาก่อนก่อน เพราะฉะนั้นตอนที่ท่านป่วยท่านก็ชันอยู่แต่เฉพาะที่วิที่วัดนะนะหลังจากหายแล้วท่านก็เลยคิดว่าชะนาน้อเราเพิ่งเที่ยวบินทบาตในเมืองราชครึกตอนนั้นนางอับสรผู้มีเท้าดังสีนกพิราบประมาณ500ผู้บำเรอเท้าส ก, กะเทวราช5้าร้อยนี้ก็มีบทบาทอีกหลายเรื่องนะนะเดี๋ยวก็จะมีต่อไปอีกหลายเรื่องเรื่องเช่นเรื่องพระนันทะก็จะกล่าวถึงกลุ่มนี้อีก นางอับสอนเหล่านั้นคิดจะถวายบิณฑบาตแก่พระเถระจึงตระเตรียมบิณฑบาต500รที่ใส่ภาชนะทองไปยืนอยู่ระหว่างทางพลางกล่าวว่าท่านเจ้าข่าขอท่านจงรับบิณฑบาตนี้จงสงเคราะห์พวกดิฉันต่างก็ขวนขวายในการถวายบิณฑบาตเพื่อจะให้ท่านพระมหากระสปะได้รับบิณฑบาตที่จริงนางทั้ง500มาใสาบาทเนี่ยนะมาเพราะแผนของท้าวส ก, กะนี่แหละ เธอได้ยินว่าท้าวส ก, กะเทวราชเนี่ยนะทราบความเป็นไปแห่งจิตของพระเถระจึงส่งนางอับศรเหล่านั้นไปด้วยพระดํารัสว่าพวกเธอจงไปถวายบิณฑบาตแก่พระผู้เป็นเจ้ามหากรสปะกระทําให้เป็นที่พึ่งของตนอันนี้ความเป็นจริงก็คือท้าวส ก, กะเทวราชนั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าบรรดานางอับศรทั้งหมดนี้ที่ไปถึงบางคราวพระเถระพึงรับบิณฑบาตจากมือ ของนางอับสรแม้สักคนข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่นางตลอดกาลนานแต่ถ้าหากว่าพระเถระห้ามนางอับสรผู้กำลังพูดว่ า, า, นะาหมายว่าถ้าใช้ให้นางอับสรเหล่านี้ไปใส่บาตรนะถ้าพระองค์ถ้าพระรับก็ดีแล้วถ้าท่านไม่รับละ่ะท่านก็จะห้ามถึงนางจะอ้อนวอนว่าท่านเจ้าข้าขอท่านจงรับบิณฑบาตของดิฉันขอท่านจงรับบิณฑบาตของดิฉัน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 ท่านก็เลยดีดมือกล่าวซ้ากับ น, นางอับสรผู้ไม่ปรารถนาจะหลีกไปซึ่งยังอ้อนวอนอยู่ว่าพวกเธอไม่รู้ประมาณของตนหลีกไปนางอับสรได้ยินเสียงดีดนิ้วมือของพระเทระก็ไม่อาจดำรงอยู่ได้จึงหนีไปยังเทวโลกตามเดิมทีนี้พระฝ่ายพระหมหากระสปะก็นุ่งห่มอย่างมั่นคงห่มจีวรถือบาทเข้าไปบินธบักแล้วก็เข้าไปยังถิ่นที่อยู่ของคนเขียนใจที่อยู่ของคนยากจน ที่เรียกว่าคนยากจนก็เพราะถึงความเสื่อมสิ้นโภคนะเ น, ะนะหมดทรย์แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้านี่เห็นได้อย่างไรคําถาม น, นะก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าก็รำพึงอาวัชนะขึ้นว่ากัสปะบุตรของเราหายจากอาพาธแล้วกําลังทําอะไรหนอทั้งที่ประทับอยู่ในพระเวลวันนั่นแลก็เห็นด้วยทิพจักสุเนี่ยน ะ, นะนะพอพระองค์ได้ทราบเนื้อความที่ท่านพระมากัสปะห้ามบินทบาทอันเป็นทิพ มีสูปะและพยัญชนะมากมายเรียกว่ามีข้าวมีกับที่หอมอ ร, อร่อยอรเยอะแยะพระมหากระสปะก็ห้ามห้ามอาหารเหล่านั้นที่นางอับสอนเข้าไปถวายแล้วก็กล่าวถึงข้อปฏิบัติในการสงเคราะห์คนกรัรพาที่ท่านห้ามอาหารของผู้มีบุญอยู่แล้วเนี่ยเพื่อจะไปรับอาหารของคนยากคนยากจะได้มีโอกาสทำบุญบ้างเนี่ยนะ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 ไอความเลี้ยงง่ายของพระหมหากระสปะเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านไปบินธบาตในบ้านหมู่บ้านคนจนแล้วก็เป็นคนขี้เรือนด้วยทีนี้คนโรคเรือนนี่ก็เห็นพระหมหากระสปะท่านก็ออกมาใสายบาดอ น, นก็กําลังถือเอาข้าวเนี่ยสายบาทนิ้วมือก็ตกไปด้วยนิ้วหลุดเลยนะสายบาทพระหมหาตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีพระวินัยบัญญัติอะไรเนี่ยนะท่านก็ตอนหลังท่านก็ออกไปหนึ่งเอ๊ะคนขี้เรือนสงสยัยถ้าจะฉันให้เราหรือเปล่า ท่านก็เอานิ้วออกแล้วท่านก็นั่งชันให้เขาเห็นด้วยนะไม่แสดงความอาการที่รังเกียจอะไรเลยีนี้เอานิ้วมือกับเท้าไก่ต่างกันตรงไหนเราก็อยู่ด้วยกันนะใกล้ๆกันนะเหมือนๆกันนั่นแหละท่านเป็นผู้เลี้ยงง่ายมากเลยนะพระมหากระสปะแต่ถามว่าพระมหากระสป่านี่คือใครพระมหากระสปะเนี่ยนะเป็นมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่นะจริงๆแล้วท่านเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยมาก มีกองทัพเป็นของตัวเองเป็นเศรษฐีที่มีกองทัพเป็นของตัวเองเนยนะมีมีเมืองตั้งหลายแห่งมีเหมืองตั้งหลายแห่งมีทาตนี้เป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยนะมีคนงานเป็นหมื่นเป็นแสนมีทรัพย์สินมากมายถ้าอาบน้ำเนี่ยสบู่คือทองคํามาลูบตัวอาบเนี่ยใช้ใช้ทองคํำนะั้นลูบตัวอาบน้ำนะร่ํารวยขนาดนั้นแต่ท่านก็สละหมดไม่ไม่ไม่สนใจเลยก็ออกบวชออกบวชเจวันก็เป็นพระอารหรันต์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 เมื่อท่านเป็นพระอาหารเนี่ยท่านก็เสวยวิมุตติสุขคล้ายๆพระพุทธเจ้าใช่ไหมมีความสุขในการเข้าพระสมาบัติท่านก็มีความสุขสุขในอาหารจะอิ่มสักกี่นาทีเชียวใช่ไหมจะรู้สึกอิ่มนานไหมเดี๋ยวก็เติมอีกแล้วอย่างงี้แต่ท่านพอเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปได้ท่านเข้านั่งเข้าพระสมาบัติหรือเข้านิโรธสมาบัติทีเจ็ดวันเนี่ยท่านก็มีความสุขเจ็ดวันติดกันไม่มีอะไรระหว่างเลยอย่างงี้เพราะท่านได้ความสุขที่ยิ่งกว่า ท่านก็เลยถือว่าไอความสุขที่เกิดจากปัจใจสี่เป็นความสุขเล็กน้อยเป็นความสุขที่ในที่สุดก็นำมาซึ่งโทษภัยด้วยซ้าไปขณะเดียวกันพระองค์พระมหากรส ป, ปะไม่เลี้ยงใครๆครอื่นในบรรดาญาติมิตรเป็นต้นเพราะเป็นผู้ไม่ติดในอารมณ์ไหนๆเป็นประดุดลมเคยเห็นลมไปค้างอยู่ตรงไหนหมพัดไปที่ไหนและค้างอยู่จะที่นั้น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 เพราะมีความประพฤติเนื่องกับคนคนเดียวหมายความว่าโยนภาระของตัวเองไปให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งฝ่ายพระเถระอาศัยกําลังแข้งเที่ยวบินธบดีโดยในเป็นต้นว่ายะถาปิพมโรปุพังก็คล้ายๆกับที่พระผู้มีพระภาคตรัสถึงพระมหาโมคขลานะมีอยู่ครั้งหนึ่งพระมหาโมคขลานะไปรับอาหารบินธบดีของเศรษฐีตนหนีอยู่ที่หนึ่งความที่ท่านเนี่ย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 ไม่ชั้นใดพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็ฉันนั้นเนี่ยบทว่าอัญญาตังอัญญาตังตรงนี้เท่าแปลว่าผู้รู้ยิ่งใช่ไหมอัตกถาแปลว่ามีชื่อเสียงปรากฏคือมีเกียรติยศแผ่ไปด้วยคุณตามความเป็นจริงอันที่จริงก็พระหมหากสปะถ้าพูดแบบภาษาเราก็เรียกว่าคนดังอ่ะ น, นะหรืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยอัญญ า, าตังก็แปลว่าคนมีชื่อเสียงปรากฏอ่ะ น, นะมีชื่อเสียงเพราะอะไรเพราะเป็นผู้มีความมักน้อย มีความสันโดษด้วยภาวะไม่ต้องเลี้ยงผู้อื่นนั่นแหลเนี่ยนะชื่อเสียงท่านดีมากเลยนะเขาเราว่าท่านเป็นพระที่ที่พระอนนเกรงใจที่สุดอลไรอย่างเงี้ยเกรงใจมากเลยนะทั้งเกรงใจพระมหากระสปะจริงๆเลยพระอนนท์เนี่ยแล้วเป็นพระรูปเดียวที่กล่าวว่าพระอนนท์ว่าเด็กคนนี้ไม่รู้จักประมาณตนนะนะท่านเรียกพระอนน์ว่าเด็กเลยนะพระอนนก็บอกตอนเนี้ยผมหัวงอกแล้วนะ ก, ก็ก็ท่านก็เหมือนเด็กนั่นแหละเพราะท่านเที่ยวไปแต่กับพระเด็กๆ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 เหมือนอย่างอัญญาตังอันแรกแปลว่าชื่อเสียงดัง is อย่างที่สองก็อีกอย่างหนึ่งนะก็คือมีชื่อเสียงปรากฏเพราะไม่ต้องเลี้ยงคนอื่นในที่3ก็คือชื่อว <im> ่าอัญญาตังเพราะคนอื่นไม่รู้จักอัญาตังนะยาตังแปลว่ารู้ใช่ไหมอัญตัวนั้นก็แปลว่าไม่ไม่ม <pele fit. S 1> <im> ีใครรู้จักว่างั้นโดยให้ผู้อื่นรู้จักตนหมายความว่าไม่ต้องการให้ใครรู้จักเพราะอะไรเพราะไม่ปรารถนาลาบสการะและชื่อเสียง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 ตัวเองเป็นคนฟุง้งซ่านก็แสดงตัวว่าเป็นผู้มีสมาธิเป็นต้นเนี่ยนะ ท, ทั้งทั้งที่ไม่มีคุณธรรมก็โชว์ตัวว่าตัวเป็นผู้มีคุณธรรมไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็แสดงตัวว่าเป็นพระอรหันต์เป็นต้นเพื่อต้องการลาบสักการะเนี่ยนะพวกนี้เขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรเรียกว่าผู้ปรารถนาลา ม, มกปรารถนาด้วยจิตที่เป็นบาปพุทธพจน์ต่อไปก็คือผู้ฝึกตนแล้วฝึกตนเนี่ยมาจากทันตังทันตัง ไม่ใช่ทันตะที่แปลว่าฟันนะทันตะตัวนี้แปลว่าฝึกฝึกตนแล้วเพราะอัจถาว่าฝึกตนอย่างสูงสุดในอินทรีย์ทั้งหลายด้วยอำนาจฉลังคู่เปขาฉลังคู่เปขาอุเบขาด้วยอันประกอบไปด้วยองค์หหมายถึงว่าจากสุเห็นรูปแล้วไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยอนุพยัญชนะดํารงอยู่ด้วยสติและสัมปชัญญาคเรียกว่าเน้นที่ตัตระมัชตตา ท่านเป็นผู้ฝึกฝึกสำเร็จแล้วมาทุกทวารเนี่ยนะรับรู้อารมณ์ใดก็ไม่มีกิเลสไม่มีอกุศลเกิดขึ้นเพราะในทุกทวารท่านรอบรู้สิ่งเหล่านั้นนะเจริญอนุปัสนาเจเจริญสมถาวิปัสนาจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เสร็จแล้วดำรงอยู่แล้วในสารธรรมแปลว่าสาเรปติถิตังเนี่ยนะดำรงอยู่ในสาระธรรมสาระในที่นี้คืออะไร เน้นไปที่พิเศษคือวิมุตติสาระวิมุตติสาระวิมุติก็มีหใช่ไหมประทางค่าววิมุติวิขำพนาวิมุติสมุเฉทวิมุติปฏิปัสสัททิวิมุตและนิสรณวิมุตินี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านมีวิมุติทั้ง5นั่นแหละเป็นสาระนี่ยนะหรืออีกในหนึ่งสาระคือศีลเพราะท่านมีศีลเนี่ยเป็นแก่นสารชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมีอะไรเป็นแก่นกระดูกกระดูกเป็นแก่นได้ไหม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 อันนันยโปสีไม่เลี้ยงผู้อื่นอัญยาตังคืออันคนอื่นไม่รู้จักเพราะว่าไม่จำเป็นต้องโชว์เพราะสิ้นตัญหาหมดแล้วฝึกด้วยฝึกอินทรีย์เรียบร้อยแล้วมีศีลเป็นต้นเป็นสาระละอาสวะสีคายโทษได้หมดท่านมีคุณธรรมอย่างนี้นี่แหละเรียกว่าเป็นพรามสูตรนี้ถ้ากล่าวไปแล้วก็เรียกว่าอาเสขสูตรเนี่ยนะอเสขสูตรเป็นสูตรว่าด้วยพระอระหรันต์ สูตรของพระอรหันนี่มาหลายสูตรแล้วใช่ไหมสูตรที่ที่ผ่านมาเนี่ยนะติดกันตั้งแต่อชาปารนิโครโสูตรเทระสูตรมหากระสปะสูตรสูตรนี้เป็นสูตรของพระอรหันต์หมดเลยเป็นกล่าวถึงคุณธรรมของพระอรหันต์อันเวลาเราสวดอรหรังเราจะได้นึกถึงว่าเพระอรหันต์ท่านมีคุณธรรมเช่นนี้เนี่ยนะท่านมีคุณธรรมเช่นนี้เป็นสาวกที่เป็นเอตทัคคะเลิศด้านทุดง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 พรปกตินะถ้าเป็นผ้ารูปอื่นเนี่ยไม่ใช่ใช้พผ้ารหันได้ง่ายๆนะเนี่ยนะสั่งให้พผ้ารหันมาประชุมกันไม่ใช่จะทําได้ง่ายๆถ้าไม่ใช่พระหมหากระสปะเนี่ยนะนะเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยมีพระหมหากัะจายนะเป็นต้นเนี่ยนะพระอานนท์พระกุมารกระสปะแต่ละองค์นี่ก็มีความสามารถกล่าวทําได้อย่างวิจิตรนี่ผลงานของพระหมหากระสปะในการสงเคราอบประชุมชนก็เลยไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่แต่หลังจากปรินิพานแล้วเนี่ย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 ครั้นแล้วได้ทําเสียงอกุระปกุระว่าอากุโลปกุโลขึ้นสามครั้งนะเยเราก็ฟังแล้วไม่เห็นน่ากลัวเลยใช่ไหมแต่ถ้าฟังเสียงจริงอาจจะหนีกับเจิดเจิเปิงหมดเลยนะนะเสียงดังสนั่นไปหมดในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกล่าวว่าดูก่อนสมณนะนั่นปีศาจปรากฏแก่ท่านยังมาบอกด้วยนะว่าผีหลอกขั้นแล้วนะเนี่พระผู้มีพระภาคเจ้าทราบเนื้อความนั้นแล้วก็แป่งอุทานขึ้นในเวลานั้นว่า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 พูดถึงประวัติของอาชากราประกายักษ์นิดหน่อยนี่นะเพราะยักษ์นั้นชื่อว่าอาชากราประกายักษ์ยักษ์นั้นรับพลีกรรมด้วยโกฐาสะแห่งแพะกราปะตัวนั้นแปลว่ากลมใช่ไหมต้องเอาแพะเนี่ย ม, มัดเป็นกลมๆอย่างอื่นไม่เอานะต้องเอาแพะ ม, มัดเป็นกองกองแบบอะไรนะแบบมัดอะไรหลายๆมัดแพะหลายๆตัวรวมกันนะจึงจะเอา ยักษ์ตัวคนนั้นยักษ์นั้นเลยชื่อว่าอะชะกลาป ะ, ะยักษ์ปกติคําว่ายักษ์นี้หมายถึงเทวดาชั้นจาตุมมหาราช น, นะนะเทวดาชั้นจาตุมมหาราชเทวดาชั้นจาตุมเนี่ยนะมีมหาราชผู้ใหญ่อยู่สท่าน น, นะมีอะไรบ้างเท้ากูเวยเนีนนะเท้ากูเวยแล้วก็เท้าอะไรท้า ว, วีรุณ6เนี่ยนะวีรุณหกโก กูเวนวิรุณฮะโกเนี่ยนะอะไรท้าทัตตรัฐะและทวท้าอะไรอีกองหนึ่งที่เป็นหัวหน้ายักษ์นะหัวหน้ายักษ์เวสว ร, ร์เนี่ยนะท้าวเวสว ร, ร์เนี่ยเขาดูแลเรื่องยักษ์อยู่พรานั้นคำว่ายักษ์ก็คือเทวดากลุ่มหนึ่งนะนะที่แต่่าเป็นเทวดาประเภทคือประเภทนี้สงสัยอดีตชาติเนี่ยนะบุญก็ทำานะบาปก็ไม่เลิอกอนะ่ะ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 ไม่ใช่ว่าไปเคี่ยนไปโบยไปตีอะไรหรอกคือต้องการจะฝึกยักษ์ให้อยู่ในสังวรวินยัยอยู่ในปะหานวินยัยเพรา ะ, ะนั้นตอนในเวลาเย็นพระองค์เนี่ยสเสด็จไปแต่เพียงพระองค์เดียวไม่มีเพื่อนสองถือบาทและจีวรเสด็จไปยังประตูที่อยู่ของอาชกกลาป ะ, ะยักษ์เชื่อว่ายักษ์ที่เอาแพะก็ต้องเอาเป็นมัดมัดนะเอาเป็นหมู่หมู่จึงจะยอมเอาป็นตัวเดียวไม่เอาจึงเข้าไปขอร้องนายประตูของยักษ์เพื่อจะเข้าไปยังที่อยู่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 นะก็ไปกราบไหว้เสร็จแล้วก็ทูลอำลาว่าข้าพระองค์จะไปยังสมาคมของยักษ์เั้นะฟังธรรมไม่มีเวลาแลยนะติดประชุมเหมือ น, น <c oughs> ก็เลยทําประทักษศิลก็แล้วก็ไป <c oughs> เห็นอาชักกลาปะกะยักษ์ในที่ประทุมยักษ์ไปถึงอ้าวอาอชักะกะลาปกายักษ์กำลังมีความสุขมากเลยนะก็แสดงความยินดีว่าท่านอาชักกลาปะกะข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นอัคราบุคคลในโลกพร้อมทั้งเทวโลก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 ก็อละวาจยักษ์นี่แหละเจ้าของถึงสารณาคมที่บอกว่าข้าพระเจ้าจากเที่ยวไปจากเมืองสู่เมืองเออจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองพลางนรมศการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและความปฏิบัติทีแห่งพระสงค์เนี่ยนะก็เนี้ยยักษ์คนนี้แหละสู้ทั้งคืนนี่มาดูพออาชากลาปะการยักษ์มาถึงเท่านั้นนะนะมาถึงพระพุทธเจ้าก็เลยคิดว่า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 นี่เข้ามานั่งที่อยู่ของเราโดยไม่ได้รับเชื้อเชิญนะไม่มีใครอนุญาตเลยเนี่ยมานั่งที่อยู่ของเราเนี่ยโทษนี้ถึงปหาระหางั้นะแค้นมากครั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ทราบจิตจิ ต, ตประวัติแปล ว, ว่าความเป็นไปของจิตของยักษ์นั้นก็เลยคิดว่าบุคคลต่อยตีที่จมูกสุนักดุสุนัขดุเนี่ยนะนะเมื่อเป็นอย่างนี้สุนักนั้นอ่ะพึงเป็นสัตว์ดุเกินประมาณยิ่งขึ้น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 เมฆปกคลุมคลึมแล้วก็ต้องกลางป่าทึบนี่นะองค์เราเนี่ยจะทําให้รู้ว่ามืดจริงๆแล้วก็ยักษ์นี่ก็ทําให้เมฆฝนเนี่ยตกมาเป็นเม็ดๆตกลงยักษ์ก็เลยคิดว่าเราจะทําให้สัมมณะนี่หวาดเสียวด้วยเสียงนี้แล้วให้หนีไปให้ได้ก็ไปยังที่ใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าทําเสียงน่ากลัวว่าอากุละอกุละเนี่ยนะเป็นต้นก็ทําให้พระพุทธเจ้ากลัวนะเพื่อให้พยังเกิดความสะดุ้งกลัวแห่งจิต ช้ำพิตัตังก็คือภาวะที่สรีระหวาดเสียวมีอาการขาแข็งโลมาหังสังขนลุกชูชันเนี่ยนะทำยังไงก็ตรงกันข้ามหมดเลยทีนี้คําถามว่าเพราะเหตุไรา ย, ยักษ์นี้มีความประสงค์อย่างนี้เข้าไปหาได้กระทําอาการแปลกที่ตนทําไว้ก่อในการก่อนไม่ใช่หรือต่อว่าได้กระทําอย่างนั้นก็จรงิงแต่ยักษ์นั้นสําคัญว่าเราไม่อาจทําอะไรอะไรแก่พระสมณะผู้ประทับอยู่ในภายที่อยู่ที่ปลอดภยัยในพื้นที่อันมั่นคง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 ที่ไหนไคนไม่มีกิเลสอ่ะเนะี่ยักษ์นั้นได้ทำเสียงเห็นป่านี้ว่าอกุโลปักุโลสามครั้งเพื่อประสงค์จะให้พระพุทธเจ้าหวาดเสียวคราวนั้นยักษ์นั้นเนี่ยเป็นเหมือนอะไรเป็นเหมือนผู้วิเศษยกเขาสินเนรุนะนะคือคือสร้างเรื่องที่เรียกว่าหน้ากลัวที่สุดที่บรรดามีอยู่เนี่ยนะนะเหมือนพลิกแผ่นดินใหญ่ทำเสียงกระหึม่ม เหมือนเสียงอัศนีบาดคือฟ้าผ่าตั้งร้อยฟาดลงมาด้วยอุตสาหะใหญ่เหมือนเสียงกระหึ่มของช้างประจำทิศซึ่งรวมกันเป็นฝูงอยู่ในที่เดียวกันและเปล่งออกแสดงว่าเสียงดังจริงๆเลยเนะีเหมือนบรรลือสีหนาของไกรสอนราชสีเหมือนเสียงหึง่งๆของพวกยักษ์เหมือนเสียงดังของพูดผีเหมือนเสียงปรบมือของพวกอสูรเหมือนเสียงกึกกร้องแห่งวชัชระคือวชัชระหมายถึงอาวุธประดุดเพชร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 แม้พวกเทวดาตั้งต้นแต่พุทธมะเทวดาก็มีความกลัวที่เรียกว่าเทวดาด้วยกันยังกลัวเสียงเลยนะหวาดเสียวและขนลุกชูชันด้วยกันทั้งนั้นจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงพวกมนุษย์และสัตว์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่มีเท้าสองเท้าสัตว์4เท้าความหวาดเสียวมากได้เป็นเหมือนคราวแผ่นดินใหญ่สุดความโกลาหลมากมายได้เกิดขึ้นณนะพื้นชมพูทวีปทั้งสิน้นส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ทรงสำคัญเสียงนั้นว่าเป็นอะไรทรงประทับนิ่ง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 ยักษ์เนรมินรูปน่ากลัวใหญ่โตยืนอยู่ตรงประพักของพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวหมายถึงตนว่าสมณะผู้เจริญปีศาจผู้มักกินเนื้อปรากฏดแกท่านแล้วนะ <c oughs> ท่านจะโดนกินเนื้อหรือเปล่าเนี่ยนะเขากินแพะเป็นมัดมัดเลยนะเอตมัตถังวิทิตวาความว่าพระองค์ก็รู้อาการแปลกนี้ที่ยักษ์นั้นอ่ะให้เป็นไปทางกายและวาจารู้นะรู้ทุกอย่างเลยกิริยาอาการของยักษ์ที่แสดงออกเนี่ยนะ ขณะเดียวกันพระองค์ก็รู้ความที่พระองค์เนี่ยหมดอุปกิเล์ในโล ก, กธรรมอันเป็นเหตุแห่งอาการที่ยักษ์นั้นข่มขูไม่ได้โดยประการทั้งปวงพระองค์รู้ว่าพระองค์นั้นอ่ะไม่มีใครทําให้หวันไวได้หรอกเพราะพระองค์เป็นผู้ไม่หวันไวในโล ก, กธรรมทั้งแดเนี่ยนะเพราะจิตของพระอรหันต์นี่ไม่หวันไวในโลกธรรมทั้ง8ดเพราะฉะนั้นยักษ์จะแสดงอาการที่กิ้วกราดขนาดไหนท่านก็ไม่หวันไวอะไร พอพระองค์รู้รู้กิริยาของยักษ์แล้วก็รู้ความที่พระองค์เนี่ยหมดกิเลสแล้วพระองค์ก็อุทานอิมังอุทานนางอุทานเนสิวก็คือไม่คํานึงถึงอาการแปลกนั้นนะนะไม่สนใจแล้วว่ายักษ์จะทํำยังไงพระองค์ก็เป่งอุทานอันแสดงธรรมมนุภาพมีการไม่คํานึงถึงอาการแปลกนั้นเป็นเหตุก็น่าคิดนะพระธรรมที่พระองค์แสดงว่า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 ตรัสรู้ด้วยการละเนี่ยนะประหาราพิสมัยในสมุทัยสัตว์อันเป็นเหตุแห่งอุปาทานขันเหล่านั้นสัจฉิ ก, กิริยาพิสมัยในนิโรธอันมีลักษณะไม่เป็นไปตามสมุทัยนั้นคืออภปะตะแล้วก็ภาวนาพิสมัยในนิโรธคาไ ม, มินีปฏิปทาก็คือทุกขาริยสัตว์ตรัตรสรู้ด้วยปริญญาพิสมัยสมุทัยสัตว์ตรัตรสรู้ด้วยปหานารพิสมัยนิโรสัจจะตรัตรสรู้ด้วย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 ความไม่เป็นไปแห่งขันห้าและกิเลสทั้งหลายเป็นนิโรศจจะข้อปฏิบัติที่ทําให้แจ้งนิโรธอ น, นั้นเป็นมัคคสัจจะเพราะฉนั้นพระองค์ก็ทําที่สุดแห่งทุกข์ด้วยปริญญาพิสมัยด้วยปารนาพิสมัยสัจจิกริยาพิสมัยและภาวนาพิสมัยมันพูดถึงฝั่งจริงๆก็คือถึงฝั่งด้วยการแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะมันก็เวลาทําบุญยังไงยังไงก็อย่าพลาดไปปรารถนาเรื่องอื่นเข้าละ น, นะพลาดอย่างอื่นก็ตอนท้ายก็อริยสัจอีกอยู่ดีนะให้มันรู้ที่จบ น, นะว่าจบต้องบรรลุอริยสัจนะบรรลุอริยสัจแล้วบรรลุว่ายังไงบรรลุว่าปริญญาปหาณนะสัจฉิกิริยาและภาวนาบทว่าโหติบ ร, รมโน น, นะคนที่ทํากิจดังกล่าวไปเนี่ยชื่อว่าเป็นพราหมณ์เพราะเป็นผู้ลอยบาปโดยประการทั้งปวง ความจริงการตรัสรู้สัจจะสี่ย่อมมีแม้ด้วยการอย่างรู้อัตภาพของตนโดยประการทั้งปวงสมจริงดังคําที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวไว้ในโลกสูตรเนี่ยนะโลกสูตรอังคุตระนิกายจตุกานิบาศว่าเราบัญญัติโลกโลกกสมูทัยคือความเกิดขึ้นของโลกนะโลกโลกสมูทัยโลกนีโลดโลกนี่โรธคามินีปฏิเิปทานลงในร่างกายนี่แหละที่มีความยาวประมาณวาหนึ่ง วาของตัวนะพร้อมด้วยสัญญาและใจพรันธ์ก็ถือเอาร่างกายนี่แหละเป็นทุกขสัตว์เนี่ยนะเอาร่างกายนี่แหละอุปาทานขันท่าในภายในนี่แหละคือทุกข์สัตว์ตัณหาแต่ก่อนเป็นต้นที่ทําให้กายเหล่านี้เกิดเป็นสมุทัยสัตว์พันธ์การประกาศอริยสัต์เนี่ยไม่ใช่ประกาศไว้ที่ต้นไม้ใบหญ้าแต่ประกาศในกายที่ยาววาหนาคืบกว้างศอกมีสัญญาและใจครองนี่แหละว่าประกาศอริยสัต์เนี่ยนะพันธ์อริยสัตว์นี้ไปนค้นหาที่ไหน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 ไม่ก็เลยไม่เป็นของเราเพราะศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัสนะนั่นแหละเป็นเป็นของบุคคลผู้รักตนใครที่รักตัวเองแล้วทูศีลเนี่ยนะคนนั้นอ่ะจูงใจศัตรูตัวเองนะั่นแหะแต่ใครที่บอกว่าเกลียดตัวเองแต่รักษาศีลเป็นต้นคนนั้นรักตัวมากจริงอยูุทานธรรมมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทันสนะเป็นต้นชื่อว่าธรรมะของคน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 ไอ้สังกิเลสคือทุจริตตัณหาและทิฐิเนี่ยนำความพินาษมาให้แก่ตัวโดยส่วนเดียวเพราะไอ้กิเลสทั้งหลายเหล่านี้จึงไม่เรียกว่าเป็นของตนใช่ั้ยซึ่งต่างจากศีลสมาธิปัญญานำมาซึ่งความสุขแก่ตนกิเลสทั้งหลายเนี่ยนำมาซึ่งความเดือดร้อนให้แก่ตนก็เลยไม่เรียกว่าของตนบทว่าปารคูปารคูนี่แปลว่าถึงฝั่งปาระหะนี่แปลว่าฝั่งถึงฝั่งคือที่สุด แห่งความบริบูรณ์แห่งธรรมมีศีลเป็นต้นนะก็เรียกว่าถึงจุดสูงสุดแล้วอ่ะนะจุดสูงสุดของชีวิตจริงๆก็คือศีลนะศีลสมาธิปัญญานั่นแหละที่เรียกว่าสูงสุดศีลนี้ก็มีอยู่2อย่างคือโลกิยะศีลกับโลกุตระศีลโลกิยะศีลเป็นเบื้องต้นโลกิยะศีลเบื้องต้นนั้นโดยย่อมี4ประการเรียกว่าจตุปาริสุทธิศีลปฏิโมขสังเวอินทรียสังวรยนโพชเนมอ่านะ ขอโทษว่าไปเรื่อยนะทำไมปัติโมขสังวนอินทรียสังวนปัจยสันนิสิตาสินและอาชีวะปาริสุทธิ์ที่สนี่เขาเรียกว่าความบริสุทธิ์แห่งศินสีประการนี้เบื้องต้นนะถือว่าศีลเนี่ยสินที่โลกิยะศีลที่เป็นเบื้องต้นนี่แหละเรียกว่าศีลวิสุทธิใช่ไหมสีลวิสุทธิเป็นบาตแห่งจิตตวิสุทธิจิตตวิสุทธิเป็นบาตแห่งทิฏวิสุทธิทิฏวิสุทธิเป็นบาตแห่ง กังขาวิตรณวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิเป็นบาตแห่งมคามคะยาณทัทสนวิสุทธิมคามขะยาณทัทสนวิสุทธิเป็นบาตแห่งปฏิปทายานัทสนวิสุทธิปฏิปทายานทัทสนวิสุทธิเป็นบาตแห่งยาณทัทสนวิสุทธิมันศีลโลกียาศีลนี่ถือว่าเบื้องต้นเริ่มต้นที่สุดเนี่ยนะในการปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ก็อยู่ที่ศีลโลกียาศีลที่เป็นเบื้องต้น ส่วนโลกุตระศีนเนี่ยนะที่เป็นเบื้องปลายมีอยู่2ประการคือศีลในมัคจิตกับศีลในผลจิตสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะที่เกิดร่วมกับอริยมรตที่เกิดร่วมกับอริยผลก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนั่นเองเพรผลศีลมีสองอย่างนะศีลตอนเริ่มต้นกับศีลตอนปลายถามว่าศีลไหนน่ารักษาประการสองอย่างเนี่ยนะ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 โลกิยาสมาธิคือสมาบัติ8พร้อมด้วยอุปจารสมาธินะอุปจารสมาธิปฐมฌานอุปจารสมาธิตุติยฌานอุปจารสมาธิตัตยฌานก็ก็คือก่อนที่จะเข้าฌานนั้นต้องผ่านอุปจารสมาธิทั้งหมดเลยก็เลยใช้รวบทีเดียวว่าสมาบัติ8และอุปจารสมาธิส่วนโลกุตระสมาธิก็คือสมาธิในองค์มรสมาสติสัมมาสมาธิสมาวายมะนะแต่เน้นพิเศษที่สัมมา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 สูตรตามายะปัญญาจินตามายะปัญญาภาวนามยปัญญ า, า, า, ย, ญญายังเป็นอารมณ์ของอาสวะอยู่คําว่าที่ยังมีอาสวะเนี่ยแปลว่าเป็นอารมณ์ของอาสวะได้ไม่ใช่สูตรตมยะปัญญาเกิดร่วมกับอาสวะนะไม่ได้แปลว่าสัมปยุตตปัจจัยแต่แปลว่าอารามณปัจจัยของอาสวะอยู่เพราะอาสวะเนี่ยนะก็ยังยังมาเอาสูตรตมยะปัญญาเป็นที่ตั้งแห่งมานะเป็นต้นได้ใช่ไหม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 นั่นเรียกว่าโลกุตระปัญญาหมายถึงปัญญาที่เกิดร่วมกับมรรคและผลปัญญาที่เกิดร่วมกับมรรคและผลต่อไปวิมุตต์วิมุตต์ก็แบ่งเป็นผลวิมุตต์และนิพพานผลวิมุตต์ก็คือในผลจิตและพระนิพพานเรียกว่าวิมุตต์วิมุตติยาณทัศนะเป็นชื่อของโลกิยะอย่างเดียวเพราะเป็นชื่อของปัจเจกขณะยานปัจเจกขณะยาณ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 สในอริยาาสัจสี่แม้โดยประการทั้งปวงด้วยประการชนี้ใช้ศัพท์อยู2่2บรรทัดเนี่ยนะแต่ออมความเต็มเยอะแยะไปหมดเลยนะกิจสิในมรรคสีในอริยาาสัจสี่พอเลยนะออมธรรมจักรไว้หมดเลยใช่ไหมออมธรรมจักรไว้หมดเลยคําว่ากิจสิโดยมรรคสและในอริยสัจสี่กิจสิก็คิดง่ายๆว่ามรรคสี่ โซโดาปฏิมักก็ทำกิจแทงตลอดอริยสัจสี่สกาทาคาเมมักก็ทำกิจแทงตลอดอริยสัจสี่อนาคาเมมักก็ทำกิจแทงตลอดอริยสัจสี่อรหัตมักก็ทำกิจแทงตลอดอริยสัจสี่เพราะฉะนั้นอริยมักสีแทงตลอดอริยสัจสี4สี่คูณสเท่ากับสิเรียกว่ากิจ16เพราะฉะนั้นพูดถึงฝั่งในธรรมของต น, นจริงๆก็คือทำกิจในอริยสัจสี่ด้วยอริยมักทั้ง4ี่มักเรียกว่าพูดถึงฝั่งในธรรมของ ตนเนี่ยนะถึงฝั่งจริงๆเลยแหละส่วนบุคคลนอกนี้ก็เลาะไปตามตาหูจมูกลิ้นกายใจเลาะเลาะเรียบๆไปเรื่อยเนี่ยนะไม่ได้ถึงฝั่งจริงๆใช่ไหมบทว่าโหติบรามโนความว่าในการนั้นบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นพราหมณ์โดยปรมาทเพราะเป็นผู้ลอยบาปประธรรมเสียได้นะเพราะฉะนั้นผู้ที่ลอยบาปประธรรมอย่างนี้แล้วเนี่ยนะอาชกัชกะะกะละอาชกลาปกะ ขั้นภายหลังจากถึงฝั่งที่กล่าวแล้วบุคคลเป็นผู้ล่วงก้าว <c oughs> ล่วงครอบงำไม่กลัวปีศาจที่มากินเนื้อที่ท่านแสดงแล้วนั่นแหละด้วยเสียงว่าอากุละพักุละตั้งขึ้นให้เกิดความกลัวอุ้ยเป็นผ้าหันจะไปกลัวร้ายเสียงอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผีหลอกยังไงก็ไม่กลัวถ้าเป็นผาา้าหันใครกลัวผีนี่ต้องรีบปฏิบัติให้เป็นผาา้าหันจะได้เลิกกลัวสัทีหนึ่งคำถามแม้นี้ท่านก็กล่าวยกย่องผ้าหัน์ตามเดิม ไอ้นี่สี่สูตรหลังมานี่เป็นสูตรว่าด้วยพ า, ารหัน์อย่างเดียวเลยนะสี่สูตรตั้งแต่อชปาอออนะอชปาระนีออะไรนะอชาปาระนิโครธเนี่ยนะสูตรนั้นก็เป็นพ า, ารหัน์สูตรต่อๆมาอีกก็สูตรว่าด้วยพระารหัน์ทั้งหมดเลยครั้งนั้นอชากลาปะกะยักษ์เห็นความคงที่นั้นเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงหวั่นไหว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 ไม่รู้นะวันนี้ไม่รู้บรรลุหรื อ, อยังแต่ตอนนั้นอนะ่ะตอนที่แสดงสูตรเนี่ยยังไม่ได้บรรลุสาตาเครยักษ์พวก阿拉วะกยักษ์อ่ะพวกนี้บรรลุหมดแต่ว่าอาชะกลาปะกะยักษ์นี้ไม่แน่ใจแต่ตรงสูตรนี้ยังไม่ได้บรรลุแน่นอนอีกสูตรหนึ่งเนี่ยนะอันนี้ก็สูตรเกี่ยวกับภาสอาหารอีกเหมือนกันสังขามาชิสูตรเนี่ยนะก็เป็นสูตรที่กล่าวถึงพระอาหัาร ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเฉตวันอารามของท่านอนาถปินฑิกาเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลพระสังฆามชิถึงพระนครสาวัตถีโดยลำดับเพื่อจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าภริยาเก่าของท่านพระสังฆามชิสมัยที่ยังไม่บวชเนี่ยนะได้ฟังข่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าสังฆามชิมาถึงพระนครสาวัตถีแล้ว นางก็ได้อุ้มทารกและลูกน้อยเนี่ยนะไปยังพระวิหารเชตวันก็สมัยนั้นแลท่านพระสังฆามชินั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งครั้งนั้นภรยาเก่าของท่านพระสังฆามชิเข้าไปหาท่านพระสังฆามชิถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวกบท่านพระสังฆามชิว่าข้าแต่สมณะขอท่านจงเลี้ยงดูดิฉันผู้มีบุตรน้อยเถิดนะไม่อะไม่อะไรเลยนะมามาบอกให้เลี้ยงดูอย่างเดียวเลย เมื่อพระยาเก่ากล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสังขามมชิก็นิ่งเสียแม้ครั้งที่สองบอกขอท่านจงเลี้ยงดูดิฉันผู้มีบุตรน้อยเถิดท่านก็นิ่งอีกแม้ครั้งที่สาพระยาเก่าของท่านพระสังขารมชิก็กล่าวกับท่านพระสังขารมชิว่าข้าแต่สมณะขอท่านจงเลี้ยงดูดิฉันผู้มีบุตรน้อยเถิดท่านพระสังขามมชิก็นิ่งเสียลําดับนั้นแลเนี่ยก็คิดต่อไปจะทําไงดีนะ ภรยาเก่าของท่านพระสังขามมชีก็อุ้มทารกไปวางไว้ข้างหน้าท่านพระสังขารมาชีกล่าวว่าข้าแต่สมณะนี้บุตรของท่านท่านจงเลี้ยงบุตรจงเลี้ยงดูบุตรนั้นเถิดดังนี้แล้วก็หลีกไปถ้าไม่ใช่พระอรหันต์นี่หนักใจมากเลยนะเนี่ยลำดับนั้นแลท่านพระสังขามมชิไม่ได้แลดูทั้งไม่ได้พูดกับทารกนั้นเลยเออเอาเด็กมาวางก็วางไปไม่พูดไม่อะไรนั่งนิ่งอย่างเดียวลำดับนั้นภรยาเก่าของท่านพระสังขามมชี ไปคอยดูอยู่ในที่ไม่ไกลได้เห็นท่านทสังขามาชิทั้งไม่แลดูทั้งไม่พูดกับทารกครั้นแล้วนางก็คิดว่าสมณะนี้แหลไม่มีความต้องการแม้ด้วยบุตรรู้ว่าเออตัวเองก็ไม่เอาแล้วบุตรก็ไม่เอานางก็เลยกลับจากที่นั้นแล้วก็อุ้มทารกหลีกไปพระพุทธเจ้าเห็นหมดนะที่เขาทำอะไรกันเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้เห็นการกระทาอันแปลก เห็นปานนี้แห่งภรยาเก่าของท่านพระสังคารมชิด้วยที่พะจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุขของมนุษย์น่าดีใจกับพระสังคารมชินะน่าเสียใจกับภริยาเก่าใช่หมนนั้นน่ากรุณากับน่ามุทิตานะก็เจริญพรมมหานไปลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าเรากล่าวพระสังขามชิ ผู้ไม่ยินดีภริยาเก่าผู้มาอยู่ปกตินี้ถ้าหากว่าเห็นภรยาอุ้มบุตรมาอย่างนั้นปกติแล้วสัตว์จะดีใจขณะเดียวกันท่านก็ไม่เศร้าโศกถึงภริยาเก่าผู้อุ้มบุตรหลีกไปเพราะฉะนั้นท่านถือว่าพ้นแล้วจากธรรมะเครื่องข้องนะพ้นจากเครื่องข้องว่าเป็นพรามอันนี้ก็คือลักษณะของพระอรหันต์ไม่ไม่ยินดีในโลกธรรมไม่ยินร้ายในโลกธรรม ปกตินี้ถือว่าภรรยาอุ้มบุตรมานี้ถือว่าเป็นลาบถือว่าเป็นการได้แต่ท่านก็ไม่ได้รู้สึกว่านี่คือการได้ตอนที่ภริยาอุ้มลูกหนีจากไปก็ไม่คิดว่าเป็นการเสียพราะนะั่นอุ้มลูกตามเมียจึงไม่มีในนี้ <c oughs> นะ <c oughs> นะก็เลยเ <c oughs> พราะอะไรเพราะตัดฉันนราคาได้เด็ดขาดแล้วมาดูข้อความในอัตถกถาบ้างนะพูดถึงประวัติของพระสังฆามชิบ้างว่า พระสังฆามาชีนี้คาว่าผู้มีอายุนี่เนี่ยเป็นเป็นพระระดับอาจารย์เลยนะพระสังฆามาชิเนี่ยเป็นอาจารย์ใหญ่เลยเป็นบุตรของเศรษฐีมีสมบัติมากท่านหนึ่งในเมืองสาวาัตถีเวลาเจริญวัยบิดามารดาก็ให้มีเย้าเรือนโดยสมควรมอบทรัพย์สมบัติให้แล้วก็ให้อยู่ครองเรือนวันหนึ่งเขาเห็นอุบาสกชาวกรุงสาวาัตถีกำลังถวายทานสมาทานศีลตอนเช้าหุ่งนุ่งห่มผ้าขาว ถือของหอมและดอกไม้เป็นต้นก็ตรงไปยังพระเชตวันเพื่อฟังธรรมในตอนเย็นจึงถามว่าท่านทั้งหลายไปไหนกันมาเมื่อเขาตอบว่าไปสํานักพระศ า, าสดาในเชตวันเพื่อฟังธรรมก็เลยจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นแม้ฉันก็จะไปจึงได้ไปกับพวกเหล่านั้นเห็นเขาไปวัดฟังธรรมกันเยอะไปด้วยไปด้วยครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งเหนือบรวรพุทธอาฏที่เขาบรรจงจัดไว้ณนะมณด สำหรับฟังพระสัตจธรรมคือฟังอริยสัจธรรมเนี่ยนะพระองค์แสดงอริยสัจธรรมอยู่ในถ้ำกลางบริสัท4เหมือนไกลสอนราชสีบรรลือสีหานาฏในถ้ำทองครั้งนั้นแลอุบาสกเหล่านั้นถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งฝ่ายสังขามาชิกกุลบุตรคือบุตรของผู้มีตระกูลเนี่ยนะก็นั่งฟังธรรมอยู่ท้ายบริสัทนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอนุปุพพิกถาคือทานศีล สวรรค์เป็นต้นเนี่ยแล้วก็ประกาศอริยสัจสีในเวลาจบสัสจจะสัตว์หลายพันได้แต่สรู้รมหลายพันนะไม่มีเราอยู่ในนั้นเลยเนะพระสังขารมาชีก็บรรลุโสดาปฏิพล์ด้วยเมื่อบริษัทออกไปเขาก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมเสร็จแล้วก็ทูลขอบันประชาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดให้ข้าพระองค์บัประชาเถิด พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ถามว่าก็มารดาบิดาอนุญาตให้เธอบรนประชาแล้วหรือเนะพราะว่าพระพุทธเจ้าสุดโททนะขอพรเอาไว้ว่าถ้าบุตรจะบวชต้องขออนุญาตพ่อแม่ก่อนฝ่ายพระสังขารมาชกีก็กราบทูลว่ายังไม่ได้รับอนุญาตพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าสังขารมาชิพระตถาคตเจ้าทั้งหลายไม่ยอมบวชกุลบตรที่มารดาบิดาไม่อนุญาตนะ ก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นั้นจักทำโดยที่มารดาบิดาอนุ ญ, ญาตให้ข้าพระองค์บวช ด, ดังนี้แล้วก็ถอยบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทําประทักษิณแล้วเข้าไปหามารดาบิดากล่าวว่าคุณพ่อคุณแม่โปรดอนุ ญ, ญาตให้กระผมบวชเถิดก็เหมือนกับรัฐบาลสูตรนั่นแหละพ่อแม่ไม่ยอมให้บวชง่ายๆอดเข้าประท้วง7วันวันที่7จ็ดเลยอนุ ญ, ญาตให้บวช ลำดับนั้นพอตอนตอนท้ายเนี่ยนะหลังจากอดข้าวบวชแล้วก็ดูท่าถ้าไม่ให้บวชลูกตายแนย่ก็เลยเอางี้แล้วการถ้าบวชแล้วก็กลับมาเยี่ยมบ้านบ้าง น, นะลำดับนั้นเขาก็ปฏิญญาว่าบวชแล้วจะแสดงตนหมายว่าบวชแล้วก็จะกลับมาเยี่ยมบ้านนะนะมาเยี่ยมบ้างทีนี้พอมารดาบิดาอนุ ญ, ญาตก็เข้าไปเฝ้าทูลขอบรนประชาเขาบรประชาเป็นสัมมาเนนอุปสมบทเป็นพระพิสุในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นอุปสมบทได้ไม่นานเพียรพยายามเพื่อมัศสูงสูงอยู่จำพรรษาในวัดป่าแห่งหนึ่งอรัญยวาาแปลว่าที่อยู่ป่าแห่งหนึ่งก็ได้สําเร็จอภิน ญ, ญาหเป็นผ้าหัน์ที่เหาะได้นะมีอิทธิปาฏิหารมีทิพจักสูมีทิพโสตรู้วาระจิตทั้งหมดเนี่ยนะมีอาสวัคคยายาณเนี่ยหลังจากออกพรรษาท่านก็กลับไปยังกรุงสาวถีเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าและปลดเปลื้องคําที่รับ เลืองคำที่ได้รับคำกับพ่อแม่ไว้ว่าบวชแล้วจะแสดงตัวให้เห็นเนี่ยนะก็จะมาเยี่ยมเหมือนการทีนี้ท่านสังคามาชาเนี่ยพอไปถึงกรุงสาวัตถีก็เที่ยวบินทบาตในทุระคำกลับจากบินธบาตภายหลังพัดก็เข้าไปยังพระเชตวันเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ได้ทำปฏิสันฐานแล้วพยากรอรหัตผลพยากรให้พระองค์รู้ว่าบรรลุเป็นะารหันนะนะ หลังจากนั้นถวายบางคมพระผู้มีพระภาคเจ้าอีกแล้วกระทำประทักษินออกไปนั่งพักผ่อนกลางวันที่โคนไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นมารดาบิดาและญาติมิตรของท่านทราบว่าท่านพระสังฆามชิมาก็ร า, าเริงยินดีข่าวว่าพระสังฆามชิมาในที่นี้จึงรีบด่วนไปยังวิหารค้นหาอยู่เห็นท่าน น, นั่งในที่นั้นะนะคือที่โคนไม้แห่งหนึ่งในวัดเนี่ย ก็เข้าไปหารมปฏิสัมถานและอ้อนวอนว่าพระราชาอย่าได้ริบสมบัติของผู้ไม่มีบุตรนทนะายาทเพิงได้รับพอแล้วละด้วยการบันประชาศึกมาเถิดพ่ อ, อ น, นะเดี๋ยวทรัพย์สมบัติเสียหายบวชแล้วตั้งพรรษาหนึ่งพอแล้วศึกได้แล้ววงั้นก็เลยจะได้มารับสมบัติต่อไปพระเทระพอได้ฟังอย่างนั้นก็คิดว่าคนเหล่านี้ไม่รู้ว่าเราไม่ต้องการด้วยกามทั้งหลาย คือพ่อแม่เนี่ยญาติทั้งหลายไม่รู้ว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์นะนะปรารถนาจะให้ท่านติดอยู่ในกามเท่านั้นเหมือนคนหาบคูดต้องการก้อนคูดฉะนั้นอันนั้นก็เออคนหาบคูดนี่มีด้วยหรือก็ถ้าเป็นที่อินเดียไม่ต้องแปลกใช่ไหมเขาก็ต้องเช้าเช้าก็ต้องไปเก็บคูดอะไรนะเก็บขี้วัวขี้ควายมาปามาผสมกับผสมกับฟางใช่ไหมเอามาตากข้างฟ้านะ ทั้งก็คนหาบคู่ต้องการก้อนคู่เพราะฉะนั้นใครๆไม่อาจจะให้คนเหล่านี้เข้าใจธรรมกถาได้เขาต้องการแต่เรื่องกามอย่างเดียวจะไปเข้าใจอริยสัจได้ยังไงนะท่านก็เลยนั่งทําเป็นเหมือนคนไม่ได้ยินพูดอะไรก็พูดไปสํา น, นวนว่าไม่ฟังเลยนะนั่งเงียบอย่างเดียวบางคนเนี่ยนะไปเจอญาติบางคนเนี่ยสอนเขาไม่ได้เลยนะเขามาพูดให้เราฟังจนเป็นชั่วโมงเขาเพราพูดจบแล้วเขาก็กลับไปถ้าเราจะพูดบ้างเขาก็มีธุระทันทีอย่างเงี้ย ไม่ใช่ง่ายนะสงเคราะห์ญาตินี่ยากกว่าอย่างอื่นทั้งหมดเลยเห็นพูดจ้อยๆอยู่อย่งงเนี่ยไปนั่งกับญาติเนี่ยนั่งฟังญาติพูดหมดเขาก็รู้ว่าเราไม่รู้เรื่องราวของเขานเขาจะเล่าเรื่องให้ฟังหมดนะพอเราเริ่มจะบรรยายบ้างเ้าเอาแล้วมีธุระขอลากลับก่อนเพราะนั้นก็ทำเป็นเหมือนไม่ได้ยินอ่ะพูดอะไรก็พูดไปเหมาอคนเหล่านั้นอ้อนวอนโดยประการต่างๆเห็นท่านเนี่ยก็ไม่เชื่อคาของตน จึงเข้าไปยังเรือนสั่งพริยาของท่านพร้อมด้วยบุตรและบริวารพลางกล่าวว่าผู้เรานี้ถึงจะอ้อนวอนต่างๆก็ไม่อาจเอาใจาก็ไม่ก็เอาใจท่านไม่ได้จึงพากันบอกว่าไปเถิดแม่นะไปบอกพริยานะบอกว่าจงอ้อนวอนพัะสดาคือสามีของเจ้าให้ยินยอมโดยเห็นแก่บุตรได้ยินว่าเมื่อนางตั้งครรภ์ท่านผู้นี้บวชเนี่ยนะก็บวชตอนเมียท้องพอดี นางก็รับคำก็เลยพาเด็กพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากไปยังพระเชตวันก็เลยเรียกว่าปุรานะทุติยิกาแปลว่าภริยาเก่าสมัยที่เป็นครือขัดพอไปถึงก็นางก็กล่าวว่าคุทธะทธปุตตังหิสมณะโปสะมังความว่านางกล่าวว่าท่านทิ้งดิฉันท่านทิ้งฉันกำลังตั้งครรภ์ทีเดียวบวชบัดนี้ฉันนั้น่ะมีลูกคนเล็ก กำลังรุ่นนมรุ่นนมก็คือนมภาคเหนือเนี่ยนะก็แปลว่าลูกเล็กอยู่การที่ท่านทิ้งดิฉันผู้เป็นเช่นนั้นแล้วทมสมณธรรมคือไปประพฤติศีลสมถาวิปัสสนานี้ไม่สมควรเพราะฉะนั้นสมณะท่านจงเลี้ยงดูดิฉันผู้มีบุตรเป็นเพื่อนสองด้วยอาหารและเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นฝ่ายพระสังขามชินี่ก็สารวมอินทรีย์ไม่มองดูทั้งอันนะไม่มองดูบุตรพริยาเลยแล้วก็ไม่พูดด้วย ก็นั่งหลับตานั่งนิ่ง่งนันแหละในคีก็ไม่ได้บอกว่าท่านเข้าพระสมาบัติด้วยหรือเปล่านะแต่ว่าท่านก็รู้นะท่านก็รู้ก็จเจริญสมถาวิปัสสนาไปนางกล่าวเช่นนั้นถึงสามครั้งเห็นท่านนิ่งอย่างเดียวจึงสำคัญว่าขึ้นชื่อว่าพวกผู้ชายเนี่ยถ้าไม่อะไรในพวกภรยาแต่ก็ยังมีความอะไรในบุตรความสิเนหาคือความรักความเยื่อใยในบรตั้งจดเยื่อในกระดูก ข, ของบิดา เพราะนั้นก็ไดการนะ่ยก็เลยเอาลูกนี่แหละเธอยังอยู่ในอำนาจของฉันแม้พรอรักบุตรเพราะฉะนั้นถึงว่าติดในบุตรก็ถือว่าติดในฉันด้วยก็เลยวางบุตรบนตักของพระเถระนึกว่าไปวางไกลๆนะวางบนตักเลยแล้วก็หลีกไปส่วนข้างหนึ่งบอกว่าท่านสมณะนี้บุตรของท่านท่านจงเลี้ยงดูเขาเถิดแล้วก็ไปเสียหน่อยหนึ่งนะแอบไปนะบอกว่าได้ยินว่านางไม่อาจยืนตรงหน้าท่านด้วยเดชสมณะ คือในความที่ท่านเนี่ยเป็นธารหันด้วยนะผิวพันแล้วก็กิริยาอาการเนี่ยไม่สามารถยืนอยู่ต่อหน้าได้แม้เด็กพระเทระก็ไม่มองดูทั้งไม่พูดด้วยทีนั้นนางเนี่ยแม้เป็นสตรียืนอยู่ในที่ไม่ไกลเลียวดูหน้ามองดูรู้อาการของพระเทระก็ย้อนกลับมาอุ้มเด็กด้วยหวังว่าสมณะ น, นี้ไม่ต้องการบุตรแล้วก็หลีกไปไรความหวังแลยนะหมดหวังละอุมอ้มบุตรกลับดีกว่าพระพุทธเจ้าก็ มองเห็นด้วยตาทิพตใช่ไหมพระองค์มองเห็นด้วยตาทิพตเนี่ยโอ้ยอุทานด้วยปีติขึ้นมาเลยนะพระองค์เกิดปีติ น, นะในหน้า1 1ึ่บอกว่าเอตมัตถังความว่ารู้อัดนี้กล่าวคือความที่ท่านพระสังขารมาชิหมดความอาลัยในสัตว์ทุกจําพวกมีบุตรและภริยาเป็นต้นโดยอาการทั้งปวงอยะว่าอาลัยในบุตรภริยาเลยชีวิตของท่านท่านยังไม่อาลัยเลยจะเป็นจะตายเนี่ยท่านมีความคิดว่ามันเท่ากัน จะกล่าวไปยญยถึงบุตรและภริยาพอพระองค์รู้อย่างนี้พระองค์ก็อิมังอุทานนงอุทานเนสิเปล่งอุทานนี้คือแสดงอนุภาพของพระสังฆามชิเป็นผู้คงที่ในอารมณ์ที่น่าปรารถนาและอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเป็นต้นอิทารมคืออารมณ์ที่น่าปรารถนาอารมณ์น่าปรารถนาคืออะไรเช่นอารมณ์ที่น่าพรปรารถนาก็คือตอนที่นางนี้อุ้มบุตรมาใช่ไห อุ้มบุมาแต่ก็เขามาเคยได้ยินโยมคนหนึ่งก็เล่านะคบอกเขาไปทํางานเหนื่อยขนาดไหนก็ช่างเถอะบอกว่ากลับมาถึงบ้านเห็นหน้าลูกว่าหายเหนื่อยว่าบอกงั้นแสดงว่าอาจจะอย่างที่คัมภีร์ว่าจริงๆบางคนก็ว่างั้นบางคนก็บอกเขามีลูกอ่อนเนี่ยตอนเนี่ยเขาขับรถนะเขาไม่ต้องดื่มริโพกระทิงแดงอะไรแล้วคิดถึงแต่ลูกก็แข็งแรงเลยครับนี่ไม่หลับไม่ง่วงโยมคนหนึ่งก็ขับรถจะมีล็อกเก็ตรูปรูปลูกของเขาไว้คนหนึ่งแถวแพวงมาลัยนี่แหละขับไปดูหน้าลูกไปอะไรกันนะ นี่ก็แต่ว่าพระสังฆามชิไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่เพลิดเพลินไม่ยินดีว่านางจะมาดูเรานะแล้วท่านก็ไม่เสียใจนะไม่เสียใจตอนที่นางอุ้มบุตรจากไปว่าผู้นี้ไม่ไม่เยื่อใหญ่ในเราท่านก็ไม่ต้องเดือดร้อนใจคือไม่เพลิดเพลินตอนที่นางอุ้มบุตรมาและก็ไม่เสียใจตอนที่นางอุ้มลูกจากไป แต่เพื่อแสดงเหตุที่พร ะ, พระเถระไม่ยินดีด้วยฝ่ายตอนได้นะไม่เสียใจตอนเสียจึงกล่าวว่าสังคาสังคามาชิงมุตตังผู้ชนะถึงความพ้นจากธรรมเป็นเครื่องข้องคาว่าสังคาตัวนี้เนี่ยภิกษุผู้ชื่อว่าสังคามาชิแปลว่าพระภิกษุผู้พ้นจากเครื่องข้องทั้ง5อย่างท่านไม่มีเครื่องข้องคือ ราคะราคะพ่องข้องไว้ด้วยความผูกพันใช่ไหมโทสะนี่ข้องด้วยไหมข้องเหมือนกันเพราะมันไม่แล้วใจใช่ไหมมันเคลียร์ไม่ได้อ่ะมันแก้ปัญหามันยังแก้ไม่ตกก็เลยข้องวนคิดอยู่เรื่องนั้นอยู่แหละโมหะก็เขาคิดไม่ออกเลยนะก็เลยคิดวนอยู่นั่นแหละมานะก็ความถือตัวแล้วก็มิจฉาทิฐิความเข้าใจผิดท่านพ้นจากเครื่องข้องหประการมีราคะโทสะโมหะและ มานาทิฐิด้วยสมุทเฉทวิมุตตคือ อ, อริยมรรคหรืออรหัตมรรคปฏิปัสสัทธิวิมุตตคืออริยผลตมะหังพรูมิบ ร, รมนังความว่าเรากล่าวผู้นั้นคือผู้คงที่สิ้นอาสวะว่าเป็นพรามเพราะเป็นผู้ลอยบาปโดยประการทั้งปวงแลอันนี้ก็คือคุณสมบัติของพระอรหรนันต์นะว่าพระอรหันต์นี้ไม่เพลดิดเพลิน แม้ตอนได้รับโลกกระทำฝ่ายดีแล้วก็ไม่เสียใจยตอนโลกกระทำฝ่ายร้ายแบบเมื่อเช้าที่เราสวดใช่ไหมพุทธะโลกระทำเมหิตจิตตังยสานกรรมปติอโศกังวีรชังเขมังเอตัมมังคามุตตะมังคาถานี้เป็นคาถาชมพระราหันอย่างเดียวว่าจิตของพระราหันนะี้นะพุทธะโลกระทำเมหิเป็นจิตที่รับกระทบในโลกธระทำแปดจิตของท่านก็อโศกังไม่เศร้าโศก นะวีระชังก็คือปราศจากทุลีคือกิเลสเขมมังก็จิตถึงความกเกษมคือปลอดจากกิเลสจิตของพระอรหันต์นี่คงที่ในโลกกระทำโดยประการทั้งปวงจริงๆสูตรที่กล่าวมาแล้วนี้ก็เป็นสูตรว่าด้วยพระอรหันต์นี่มาดูสูตรของพวกมิจฉาทิฐิบ้างนะนะมิจฉาทิฐิสูตรเพราะว่าสูตรส่วนพาหิยะสูตรเป็นเป็นตอนคำ ชติระโสดในเติละโตดข้อส6สสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะขยาศีสะประเทศใกล้บ้านขยาครั้งที่แล้วนี่แมบอกคนรถว่าช่วยพาไปเที่ยวบ้านขยาหน่อยก็บอกเวลาไม่พอหรอกครับกว ง, งันเดี๋ยวกลับไปฉันเทนก็เลยไม่ได้ไปขยาเดี๋ยวมีโอกาสจะไปใหม่ไอ้บ้านขยานี่มันอยู่ตรงไหนนะจะไปดูขยาศีสะที่พระพุทธเจ้าแสดงอาทิตตปริยศสูตรน ก็ไม่ได้ใกล้จากต้นไม่ไกลจากต้นโพเท่าไหร่นะก็ยี่สิบสามสิบกโลกนี่แหละแต่ว่าวันนั้นไปดูอะไรนะดงค่าสิริดงคาสิริก็เลยว่าจะเลยจากดงค่าสิริไปแขกก็บอกว่า oh, ไม่ทันอาหารเที่ยงเรารับห่วงกันเราก็ห่วงอาหารเพนก็เลยกลับมาฉันซะก่อนนั่เองเห็นด้วยเห็นด้วยก็เลยกลับเลย <laughs> สมัยนั้นแหลเนี่ย น, นะชะดินมากด้วยกันเนี่ยนะอาบน้ําที่แม่น้ำขยาเนี่ยนะ ก็พากันผุดขึ้นบ้างดำลงบ้างผุดขึ้นและดำลงบางพวกก็รดน้ำบางพวกก็ บ, บ, กก บ, บูชาไฟที่แม่น้ำขยาในสมัยหิมะตกในระหว่างแปวันในราตรีมีความหนาวในเห็มันฤดูด้วยคิดว่าความหมดจดย่อมมีได้ด้วยการกระทําอย่างนี้ไม่น่าเชื่อนะตอนวันมาฆะเนี่ยนะแถวๆคำว่าเห็มมันตรุดูเนี่ยเวลาที่พูดถึงเนี่ยแถววันมาฆะนะ วันที่เมื่อเมือ่อวันที่ประมาณวันที่สิบหกกุมภาเดือนที่แล้ว เ, เดือนกุมภาเนี่ยนะที่ของมาไปเนี่ยไม่มีหิมะแต่สมัยพุทธกาลนี่มีหิมะนะสมัยพุทธกาลเนี่ยบริเวณนั้นเนี่ยแถวแถวช่วงมาฆบูชาเนี่ยมีหิมะอยู่ก็น่าแปลกนะเมื่อสองพันกว่าปีมีหิมะนะตอนนี้ไม่เหลือแล้วแต่ก็เขาบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยปีปีปีนี้เนี่ยหนาวที่สุดบางท่านบอกว่าหนาวที่สุดในรอบสี่ปี ก, ก็บอกว่าอยู่สี่บางท่านอยู่อินเดียมาสี่ปีบอกปีนี้หนาวที่สุดเมื่อวันที่ผ่านมานะเขมาก็ปลาย ป, ปลายหนาวเลยสบายเลยทำมาสบายก็คือไม่หนาวเท่าเขาอะนะแต่ก็ไปป่วยตามเดิมนั่นแหละ <c oughs> ทีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทอดพระเนตรเห็นพวกฉดินเหล่านั้นเนี่ยนะหน้าหนาวหิมะตกเนี่ยพากันผุดขึ้นดำลงผุดขึ้นทั้งดำลงรดน้ําบูชาไฟที่แม่น้ําขยาในสมัยหิมะตก ระหว่าง8วันในราตรีมีความหนาวในฤดูหนาวด้วยคิดว่าความหมดจดย่อมมีได้ด้วยการกระทําอย่างนี้นะด้วยการผุดขึ้นนะดำลงในแม่น้ำเนี่ยจะทําให้บริสุทธิ์ใครเคยอาบน้ําหน้าหนาวบ้างหน้าหนาวหน้าหนาวจริงๆแล้วมุดไปในน้ำเนี่ยโอ้โหมาเคยละหนาวจริงๆเลยนะในแม่น้ําหน้าหนาวเนี่ยมุดลงไปสัก3ามเมตรเนี่ยหนาวมากเลยนะเย็นอย่าเยือก ต้องพิงจุดไฟไว้ก่อนนะนะค่อยมุดลงไปขึ้นมาแล้วก็พิงไฟก่อนหนาวมากพอพระองค์เห็นอย่างนั้นพระองค์ก็อุทานอนะอุทานออกมาว่าความสะอาดย่อมไม่มีเพราะน้ำนะอาบน้ํามันจะสะอาดได้จริงหรือนะก็ล้างทุลีได้แต่ว่าไม่ได้ล้างกิเลสหอกน้ําอ่ะแต่ชนเป็นอันมากก็ยังอาบน้ําอยู่ในในน้านี้ นะก็คิดว่าตัวเองอาบแล้วจะพหมดกิเลสใช่ไหน้ำที่อาบและหมดกิเลสคือสัจจะและธรรมะมีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นเป็นผู้สะอาดและเป็นพรามก็คือสัจจะและธรรมะเนี่ยนะคือตบะและพรหมจาร์เนี่ยไม่ใช่น้ำแบบน้ำแบบนั้นนะแต่ก็เป็นเครื่องชำระชะล้างบาปอากุศลได้ส่วนไอ้อาบน้ำแปรงฟันเหล่านั้นไม่ได้ทำให้ หมดจากกิเลสอะไรหรอกไม่ได้สะอาดกิเลสอะไรหรอกพูดถึงที่แม่น้ำขยาเนี่ยนะแม่น้ําขยาเป็นแม่น้ําสายหนึ่งที่ไม่ไกลจากหมู่บ้านขยาที่มหาชนเขาสมมุติเรียกกันว่าถ้าเป็นที่อาบน้ําลอยบาปเนี่ยนะอาบน้ําลอยบาบลอยเหงื่อลอยเหงื่อก็ไม่มีนะหน้าน้ําขนาดนั้นจะไมีมเหงื่อได้ยังไงนะลอยขี้คลายได้นะที่ขัดขัดอ่ะนะ ขยาศีเซ่ความว่าในที่นั้นมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อว่าขยาศีสะมียอดคล้ายศีสางเป็นที่มีศิลาดาดเหมือนกระพองช้างเป็นอภโอการพอพิษุพันรูปอยู่ได้้ เ, เป็นลานเนี่ยเป็นกลางแจ้งคนนั่งได้ประมาณพันคนนะนะพระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ที่นั่นไดออ้อยู่ที่นั่นด้วยพร้อมพิสุเป็นพันรูปพันรูปก็กลุ่มไหนก็ถ้าฟังดูแล้วก็ไม่น่าจะใครอื่นก็คือพระชะดินทั้ง สามพี่น้องอ่ะนะสมพี่น้องนั่นแหละพร้อมกับบริวารอีกพันหนึ่งพวกถึงชะดินเหล่านั้นเนี่ยนะไปอาบน้ำตอนไหนสมัยหิมะตกมีปริมาณถึง8ดวันคือในที่สุดของเดือนมาคะอันภายในเหมันฤดูสี่วันในวันต้นของเดือนพักคูณะอีกสวันเนี่ยนะหิมะตกแดวันติดติดกันเลยนะพูดถึงพวกที่ โผล่ขึ้นมานึกว่าจะทําให้บริสุทธิ์หรือมุดลงไปจะทําให้บริสุทธิ์อธิบายว่าจริงอยู่ในการกระทําที่เรียกว่าดําลงหรือผุดขึ้นเนี่ยนะบางคนมีความเห็นอย่างนี้ว่าด้วยการผุดขึ้นคราวเดียวเท่านั้นก็เป็นอันบริสุทธิ์จากบาปหลายศ า, าสนาเนี่ยนะถือเอาน้ำเนี่ยเป็นเครื่องทําให้เขาบริสุทธิ์เนี่ยนะด้วยการดื่มน้ำํำดื่มอะไรของเขาดื่มน้ําสัตว์น้ําปฏิญาณน้นําสาบานน้ําเข้ารีดน้ําอะไรทั้งหลายก็เขถือว่าการดื่มเหล่านั้นจะทําให้บริสุทธิ์ได้ ฟันพวกนี้ก็บางกลุ่มนี้ถือว่าการดื่มน้ําแต่ว่าเดรัธีเหล่านี้ถือการอาบน้ําก็ผุดขึ้นคราวเดียวเท่านั้นเป็นอันบริสุทธิ์จากบาปเพราะฉะนั้นพวกเขาก็ทําการผุดขึ้นเท่านั้นแล้วก็ไปจริ ง, รงๆแล้วเอ๊ยอยู่ๆแล้วผุดขึ้นมาได้ยังไงมันต้องมุดลงไปก่อนจะใค่อยผุดขึ้นทีหลังนะฟันพวกเล่นน้ําทั้งวันน่าจะบริสุทธิ์ได้ดใช่ฝ่ายชนผู้มีความเห็นอีกอย่างหนึ่งบอกว่าด้วยการดำลงคราวเดียวเท่านั้นจึงเป็นอัน บริสุทธิ์เพราะถ้ามุดลงแล้วไม่พยอมโผล่เลยนะบริสุทธิ์แน่พวกนี้ก็ตายอย่างเดียวสิเนาะก็ตายจริงๆนะพวกนี้ยอมตายนะไม่ไม่ได้เสียดายชีวิตอะไรเนี่ยด้วยอํานาจของมิจฉาทิฐิเนี่ยอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับมิจฉาทิฐิเห็นไหมว่ามิจฉาทิฐิกลัวตายที่ไหนบอกว่าถ้าแกไปตายแล้วก็จะได้นางฟ้าเท่านั้นเท่านี้จะโอโหก็จะมีคนมาตอนรับเท่านั้นเท่านี้ยินดีอย่างนั้นอย่างนี้ยอมพลีชีพไม่ใช่น้อยเนี่ยนะเพราะเห็นแก่ ด้วยอนุภาพของทิฐิเนี่ยนะมันยิ่งใหญ่มากๆเลยเพราะฉะนั้นพวกนี้คิดว่าพอมุดลงไปแล้วก็บริสุทธิ์อย่างเดียวนะแต่ก็คงทบทวนมานานเลยนะก็ตัดสินใจมุดลงทีเดียวให้มันตายไปเลยเนะจะได้บริสุทธิ์ฝ่ายชนที่มีความเห็นอย่างนี้ว่าด้วยการดำลงที่ท่านั้นแลเป็นการบริสุทธิ์จากบาปจึงดำลงที่ท่านั้นแล้วก็กลั้นลมหายใจสิ้นชีวิตลงในที่นั้นนั่นเองเหมือนจมไปในเหวทรายยนะ อีกจำพวกหนึ่งก็มีความเห็นว่าการกระทาการผุดขึ้นและดำลงบ่อยๆแล้วจึงอาบเป็นการบริสุทธิ์จากบาปชนเหล่านั้นจึงขุดขึ้นและดำลงตลอดเวลาโอมอะไรนะโอมแล้วก็โคร ม, มุดลงไปย่างเนียนะก็ยังพอเห็นอยู่นะตอนที่ที่ไปที่พารณสีนะแต่ก็มีไอ้นี่ก็ยังไม่เท่าไหรนะ่นอ้กุ่มพา ม, มลาอะไรของเขาเนี่ยมาอาบน้ารวมกันเป็นแสนน่ะ เป็นล้านๆเลยนะมามาเป็นล้านคนเลยมาอาบน้ำล้างบาปรวมกันเนะีไม่รู้ว่าไปแล้วสกรปรกมากขึ้นสินอะอันนี้เชื่ออยู่หรอกบางพวกก็ผุดขึ้นดำลงทั้งผุดทั้งดำในข้อนี้การผุดขึ้นต้องมีการดำลงก่อนก็จริงถึงกระนั้นชนผู้กระทําเฉพาะการดำลงมีเล็กน้อยชนผู้ทําการผุดขึ้นแล้วก็ดำลงทั้งผุดขึ้นทั้งสองเนี่ยนะมีมากเพราะฉะนั้น เพื่อแสดงภาวะที่ชนเหล่านั้นเป็นฝ่ายข้างมากนะจึงกล่าวการผุดขึ้นก่อนอผู้ที่มุดลงไปแล้วยอมตายทีเดียวนี่มีไม่กี่คนที่สละขนาดนั้นนะใจใจเด็ดขนาดนั้นน่าชมไหมใจถึงจริงๆเลยนะมุดลงไปทีเดียวเลยยอมตายเลยเนี่ยนะน่าชื่นชมไหมนะน่าตำหนิสินะเข่าจริงๆเลยพวกนี้พวกชะดินเนี่ยนะบอกว่าพวกพราหม์แม้ทั้งศีรษะโลนแล้วก็เกล้าผมเป็นแยม ผู้ต้องการความบริสุทธิ์ด้วยน้ากระทำอย่างนั้นที่ท่าน้านั้นในการนั้นบางพวกก็ถือว่ากวกเอามือกวักน้ำในสระแล้วก็รดสีสะแล้วก็รดตัวของตนทำอย่างนี้จสะสะอาดใช่ไหมบางพวกก็ไปยืนที่ริมฝั่งแม่น้ำแล้วก็เอาเอาหม้อตักวักใส่หัวก็นึกว่าจะสะอาดบางพวกก็จัดแจงเวทีเลยนะจัดเวทีหมายถึงอะไรนะทำซุ้มนะตั้งแคมป์ตรงนั้นเลย ที่ริมแม่น้ําขยาแล้วก็น้อมนาเครื่องอุปกรณ์มีบูชาด้วยฟืนหญ้าคาเป็นต้นเข้าไปบูชาไฟเรียกว่าบัมเรลไฟเนี่ยนะตั้งแคมป์บูชาไฟเลยนะคล้ายๆ ล, ลูกเสืออย่างนั้นเลยสงสัยลูกเสือเรียนแบบพวกนี้ไปมั้งเหรนะแต่ทําเพื่อความสนุกอะนะไม่ได้บูชาไฟอะไรที่ไหนหรอกอิมินาสุทธิความว่าบางพวกผู้มีความเห็นอย่างนี้ว่าความบริสุทธิ์จากมลทินคือบาปได้แก่การลอยบาปคือละอกุสลได้ทุกชนิด หรือความบริสุทธิ์จากสังสารวัตย่อมมีได้ด้วยการดำลงเป็นต้นในแม่น้ําขยาและด้วยการบำเรอไฟอันนะััที่นี้ก็ยังยืนยงอมาตะมาจนถึงทุกวันเนี่ยนะก็เลยไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมแม่น้ําเนี่ยมันจึงมีปลาเยอะทำไมมันจึงมีหนอนเป็นต้นมากไม่ต้องแปลกใจก็เพราะรัฐที่เหล่านี้นี่แหละอนนะแม่น้ำเนี่ยนะเราจะไปบูชาเป็นพันล้านคนมันก็มุดไปเป็นปลาอยู่ได้ไม่กี่ตัวหรอกอนนะปลาตัวหนึ่งมีไข่กี่ฟอง เยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่มุดน้ําล้างน้ําให้บริษรัทพวกนี้ก็เกิดเป็นปลาแน่นอนนะเชื่อถ้ากล่าวไปแล้วเนี่ยพวกนี้บริถือความบริสุทธิ์ด้วยน้ําและด้วยไฟนะอาบน้ําล้างบาปแล้วก็บริสุทธิ์บูชาไฟเนี่ยนะหาฟืนใส่ไฟแนละ้วจะบริสุทธิ์นะหาฟืนใส่ไฟเนี่ยนะบริสุทธิ์ขึ้นไหมใช่ผลานสักเกลี้ยงเลยนะเพลิงนี่เผาเรียบหมดเลยนะเมื่อคืนนี้เผาไปเยอะเลยใช่ไหม ไม่มีที่อยู่เป็นร้อยคนเลยนะเมื่อคืนนี่ก็ไฟไหม้กรุงเทพนี่แหละบางพวกอยู่ในน้ำอ่ะนะพวกกลุ่มกลุ่มบูชาไฟเนี่ยนะบางพวกอยู่ในน้ําบางพวกยกมือไหว้น้ําอัญชลีน้ําบางพวกยืนอยู่ในน้ําแล้วก็หันไปตามพระจันทร์พระอาทิตย์บางพวกอ่านคัมภีร์ฉันเนี่ยนะร่ายเวทร่ายมนกันด้หน้าดูบางพวกก็ร่ายวิชาจงมาเธอท่านอินเนี่ยนะก็ท่องอินทาอาคัตชะ น, นะโอ้ไม่อะไรก็ว่าไป บางพวกก็กระทำมหกรรมนะโอ้ยทยิ่งใหญ่มากทําเป็นคล้ายๆพวกกระทงพวกอะไรหรือเปล่าเมื่อกระทําอย่างนั้นบางพวกก็ลงบางพวกก็ขึ้นบางพวกขึ้นมาแล้วก็ทําการชําระล้างให้สะอาดอนะชำระเช้าเย็นก็อาบใหม่อีกนะไหมบางพวกก็ยืนอยู่ในน้ําถูกความหนาวบีบคั้นแสดงกิริยามีประการต่างๆเป็นต้นว่าเช่นบรนเลงพินที่ทําด้วยงาช้างเป็นต้นนะนะก็ยังมีดนตรีอยู่ในหัวใจอีกตามเดิมไหม ทำไปทํามาหนาวเรากลับมาดีดพินต่อดีกว่าเมื่ะนั้นบูชาเนี่ยเอากันจริงๆเลยนะพวกแขกเนี่ยนะแขกที่บูชาเกี่ยวกับน้ําำายเนี่ยเอาเป็นเอาตายกันจริงๆเพราะคนที่นับถือศาสนานี้ตอนนี้มีประมาณเก้าร้อยล้านเนยนะเก้าร้อยล้านนับถือศาสนาเนี่ยรับที่อาบน้ําเนี่ยคือพวกที่ไปเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้ก็ไม่มากนะเน้นพวกนักบวชแต่ว่าพวกนับถือสายนี้รับที่เนี่ยประมาณเก้าร้อยล้านคนในโลกเนี่ยนะประมาณเก้าร้อยล้านคนนับถือศาสนา พูดเนี่ย300กว่าล้านเองทั้งโลกเลยเนะมีที่ที่เรียกว่าสั ม, มโนโครัวอยู่ทะเบียนโลกเนี่ยมีประมาณ300กว่าล้านน้อยกว่าเพื่อนเลยเนีศาสนาอื่นเนี่ยพล้านบางศาสนาพัน0าอล้านนะศาสนาฮินดูเนี่ยประมาณ900ล้านของเรานี่300้อยกว่าล้าน3 0 0กว่าล้านแล้วก็เอาเข้มๆหน่อยก็ถึงแสนหรือเปล่าก็ไม่ทราบหลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเห็น เห็นกลุ่มพวกเดรัจฉีเหล่านั้นเนี่ยนะที่ผุดขึ้นดำลงอาบน้ำเพื่อความบริสุทธิ์พระองค์เห็นอย่างนั้นแล้วก็รู้แจ้งเนื้อความนั้นเข้าใจทันทีว่าคนเหล่านั้นยึดมั่นในทางที่ไม่บริสุทธิ์เช่นลงอาบน้ำเป็นต้นสำคัญว่าเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์และการที่พระองค์อย่างรู้ในทางที่บริสุทธิ์มีสัจจะเป็นต้นว่าไม่ผิดพลาดโดยอาการทั้งปวง คือพระพุทธเจ้านี่แยกมิจฉาปฏิปทากับสัมมาปฏิปทาออกเห็นชัดเลยว่าพวกอาบน้ําเป็นต้นมันจะบริสุทธิ์ได้อย่างไงเนี่ยนะมันจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรเพราะความบริสุทธิ์ต้องมีด้วยมรรคมีองแปดไม่ได้บริสุทธิ์ด้วยดินน้ำหลมไฟนะไม่ได้บริสุทธิ์ด้วยรัพย์เป็นต้นแต่บริสุทธิ์ด้วยอริยมรรคมีองแปดด้วยการแทงตลอดอริยศาสตร์แต่พวกมิจฉาทิฐิสําคัญว่าอาบน้ําผิงไฟนี่ทําให้บริสุทธิ์เข้า องค์ก็เลยอุทานเปล่งอุทานแสดงถึงความไม่บริสุทธิ์ด้วยน้ำแล้วก็แสดงถึงความบริสุทธิ์ด้วยสัจจะเป็นต้นมันถ้าหากว่ามาดูในคาถาย้อนอีกครั้งหนึ่งความสะอาดย่อมไม่มีเพราะน้ำแต่ชนเป็นอันมากก็ยังอาบอยู่ในน้ำนี้อันนี้เป็นมิจฉาปฏิปทาสัจจะและธรรมะมีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นเป็นผู้สะอาดและเป็นพรามอันนี้เป็นสัมมาปฏิปทา ก็แสดงข้อปฏิบัติถูกกับข้อปฏิบัติที่ผิดเนี่ย น, นะอธิบายว่าอุทเกคือน้ำเนี่ยผุดจากน้ำเป็นต้นที่บอกว่าอุทเกความว่าความสะอาดด้วยน้ำอันเป็นตัวทำกิริยามีการผุดขึ้นเป็นต้นไม่ชื่อว่าเป็นความบริสุทธิ์ของสัตว์แปลว่าไม่ไม่สามารถทำให้บริสุทธิ์ได้จริงๆนะในหน้าหนึ่งสองสามอ่ะนะ อีกอย่างหนึ่งคําว่าสุจิคือความบริสุทธิ์ด้วยน้ําตามที่กล่าวแล้วนั้นน่ะไม่เป็นสัตว์ชื่อว่าบริสุทธิ์จากมนทินคือบาปจะอาบน้ําขนาดไหนก็บาปลดลงไหมตั้งแต่เกิดมาเนี่ยของเราอาบน้เชาวเย็นเชาวเย็นเชาวเย็นย น, น, นิกิเลตลดลงเลยไหมความน้อยอกน้อยใจก็ลดลงความเศร้าใจก็ลดลงสบายใจขึ้นทุกวันทุกวันเป็นอย่างนั้นไหมไม่นะที่น้อยใจมากกว่าเดิมอีก <c oughs> <c oughs> สแสดงว่าไม่ได้บริสุทธิ์เพราะอาบน้ําอะไรหรอก ปัญหาว่าอาบแล้วอาบน้ําหน้าน้ําก็โกรดน้ําอีกใช่ไหมว่ามันเย็นเกินไปหน้าร้อนอี่มาเจอเปิดก๊อ ก, กน้ำขึ้นมันร้อนนี่ก็โกรดน้ําอีกนะถามว่าเพราะเหตุไรเพราะว่าชนเป็นอันมากที่อาบน้ํานี้เนี่ยนะไม่สามารถทําให้บริสุทธิ์ได้เพราะถ้าเชื่อว่าความบริสุทธิ์จากบาปจะพึงมีเพราะการลงน้ําเป็นต้นตามที่กล่าวแล้วไซ ชนเป็นอันมากก็จะพากันอาบน้ํานี้คือคนผู้ทํากรรมชั่วฆ่าแม่มาอาบน้ําก็บริสุทธิ์ได้ฆ่าพ่อมาอาบน้ําก็บริสุทธิ์ได้ฆ่าผ้าหั่นเป็นต้นมาอาบน้ําก็บริสุทธิ์ได้ฆ่าโคฆ่ากระบือเป็นต้นก็บริสุทธิ์ได้ชั้นที่สุดปลาและเต่าก็จะพากันอาบน้ํานี้ทั้งคนและสัตว์ทั้งหมดก็จะพากันลอยบาปไปได้แต่ข้อนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกเป็นอย่างนั้นไหมถ้า ฆ่าพ่องั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูฆ่าพระเจ้าพิมพ์ิสารก็ไปอาบน้าล้างบาปเรียบร้อยก็ไม่ใช่พระเทวทัตทำชั่วก็ไปอาบน้ําล้างบาปซะหมดสบายก็ไม่ใช่อีกฆ่าแพะฆ่าแกะฆ่าไก่ฆ่าสุกรฆ่าสัตว์มากขนาดไหนเดี๋ยวไปอาบน้ําล้างก็สะอาดหมดแต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นนะปลาและเต่าที่อยู่ที่นั่นสะอาดหมดนอนที่กระดึบกระดึบอยู่ในน้ําก็สะอาดหมดเลยนะไม่ได้เป็นอย่างนั้นถามว่าเพราะเหตุไร เพราะการอาบน้ำไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ต่อเหตุแห่งบาปนะเหตุที่ทําให้เกิดบาปคืออะไรเหตุที่ทําให้เกิดบาปนะโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุเป็นต้นอ่ะเป็นเหตุให้เกิดบาปอาบน้ําแล้วชําระโลภะโทสะโมหะได้อย่างไรก็สิ่งใดทําสิ่งใดให้พินาศไปได้สิ่งนั้นก็เป็นปฏิปักษ์ต่อสิ่งนั้นคือคือสิ่งที่จะเป็นศัตรูยอย่างหนึ่งมันจะต้องเป็นคู่ปรับกันจริงๆเช่นแสงสว่างเป็นปฏิปักษ์ต่อความมืด วิชาเป็นปฏิปักษ์ต่ อ, อวิชาและอาบนะ้ำมันเป็นปฏิปักษ์ต่อความโลภยังไงเป็นศัตรูต่อความโกรธยังไงและอาบน้ำฉลาดขึ้นเลยใช่ไหมกาจัดโมหะได้ไม่ใช่ความโลภต้องกำจัดด้วยความไม่โลภความโกรธต้องกำจัดด้วยความไม่โกรธความหลงกำจัดด้วยปัญญาอันนั้นแหละจึงจะเป็นทางถูกเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยว่าอาบน้าไม่สามารถทาให้บริสุทธิ์ได้ ไม่บริสุทธิ์จากความโลภแน่ไม่ได้บริสุทธิ์จากความโกรธแน่ไม่ได้บริสุทธิ์จากความโง่เขลาแน่เพราะน้ำอาบน้ําไม่ได้ทําให้ฉลาดขึ้นแทงตลอดอริยสัจอะไรเลยมาดูวิวัตตะบ้างนะความบริสุทธิ์บทว่ายำหีได้แก่บุคคลใดบทว่าสัจจังได้แก่วจีสัจจะและวิรัตสัตจจะวิรัตวจีสัจจะคือคําจริงวิรัติสัจจะก็คือศีลเป็นต้นนั่นแหละ สัจจังได้แก่ยานสัจจะและประมาทสัจจะยานทสัจยานสัจจะคืออริยมรรคปรมาทสัจจะคือนิพพานธรรมโมคืออริยมรรคและธรรมคืออริยผลสรุปว่าบรรลุด้วยมรรคผลนิพพานด้วยการแทงตลอดอริยสัจจึงจะบริสุทธิ์ได้ธรรมธรรมะคือผู้ใดบรรลุอริยสัจดังกล่าวไปเนี่ยนะด้วยอํานาจมรรคผล มีอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นคือพระอริยบุคคลโดยพิเศษสูงสุดเลยก็คือพระขีณาสพชื่อว่าเป็นผู้สะอาดอย่างแท้จริงเพราะผ้าหันสะอาดจากราคะโทสะและโมหะท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นพรามเพราะเป็นผู้หมดจดโดยสิ้นเชิงมีผู้ตั้งคำถามว่าเพราะเหตุไรในข้อนี้สัจจะท่านจึงแยกเอามาจากธรรมะ จริงๆเนี่ยคำว่าธรรมะก็อมความเต็มอยู่แล้วทําไมต้องยกคำว่าสัจจะคือวจีสัจจะมากล่าวเสริมเพิ่มอีกเพราะว่าวาจีสัจจะมีอุปการะมากอุปการะ น, นะจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงประกาศคุณของสัจจะในสุดบทคือในพระสูตรเป็นอันมากโดยในเป็นต้นว่าสัจจังเวอมตะวาจาคําสัต์แลเป็นคําพูดที่ไม่ตายแต่คนพูดเนี่ยจะต้องพูดให้ดีนะให้ถูกการ พูดให้เหมาะสมพูดให้ไพเราะเหมาะแก่การพูดเพื่อประสานประโยชน์เป็นต้นถ้าพูดคําจริงแล้วพูดผิดที่พูดผิดการพูดไม่ไพเราะพูดไม่เหมาะสมคนพูดตายนะเราก็ต้องคําคําศัตว์นี่แหละเป็นวาจาที่ไม่ตายเพราะฉะนั้นคําศัตว์อันนี้จะต้องพูดให้โดยใช้คําที่ไพเราะเป็นคําที่จริงเหมาะแก่การเป็นคําที่ประสานประโยชน์เป็นคําที่ประกอบไปด้วยเมตตารู้เหตุรู้ผลไข้ครวญดีแล้วค่อยพูดเนี่ยนะ สัจจะแลดีกว่ารถทั้งหลายคือรถแห่งวจีสัจจะเนี่ยนะเป็นเป็นความอร่อยอร่อยที่สุดคือความจริงบัณฑิตทั้งหลายกล่าวผู้ตั้งอยู่ในสัจจะอันเป็นอัฏฐะและธรรมะว่าเป็นสัตว์บุรุษและก็สมณพราหมณ์ผู้ตั้งอยู่ในสัจจะก็คือวจีสัจจะขณะเดียวกันพระองค์ก็แสดงโทษของคําพูดที่ไม่มีวาจาสัต์เนี่ยมากเช่นสัตว์ผู้มักพูดเท็จล่วงทำเอกเสีย ล่วงคาเอกอันนี้แสดงว่าคนที่มักพูดเท็จเนี่ยนะข้ายังพูดเท็จอยู่ยังทําบาปอีกหลายอย่างละกันและผู้พูดคําอันเป็นคําไม่จริงย่อมเข้าถึงนรกเนี่ยนะมันใครที่มักพูดคําไม่จริงก็โดยมากก็มักเข้าถึงนรกเป็นต้นมันว่าจีสัจจะเนี่ยนะคำพูดนี่สําคัญมากแต่ขณะเดียวกันบอก ว, ว่าชาตินี้ถ้าข่าไม่ได้คงนอนตาไม่หลับอย่างงี้นะอันนี้นี่เลิกได้วดี น, นะนะ คาว่าคำจริงคำสัจจะในที่นี้หมายถึงคำที่เป็นไปกับศีลเป็นต้นนั่นเองสรุปว่าธรรมะที่จะทำให้บริสุทธิ์สัจจะกับธรรมะสัจจะก็คือญาณสัจจะประมตถสัจจะธรรมะคือมรรคผลเพราะฉะนั้นก็คือศีลสมาธิปัญญาที่เป็นเหตุให้รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจข้อนั้นแหละเป็นข้อปฏิบัติของผู้ที่สะอาดเพราะว่าผู้ที่สะอาดตั้งอยู่ในข้อปฏิบัติคือสัจจะและธรรมะ ก็คือศีลสมถาวิปัสสนามักผลแทงตลอดอริยสัจนั่นแหละจึงถึงความเป็นผู้สะอาดอย่างแท้จริงในช่วงบ่ายวันนี้ก็คงกล่าวธรรมะแต่เพียงเท่านี้ก่อนส่วนในภาคตอนค่าเนี่ยนะจะกล่าวพาหิยะสูตรเนี่ยนะทิฏฐิทิธรมตังพวิสตินะเมื่อเห็นจักเป็นอันจักเป็นประมาณว่าเห็นหรือที่นี่สมัยใหม่เขานิยมแปลว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นเป็นต้นเดี๋ยวเห็นสักแต่ว่าเห็นเป็นต้นนี้จะเป็นอย่างไรก็คงตอนเย็นนะจรพร ช, ช่วงบ่ายนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนก็ขออนุโมทนากับทุกท่านวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสงกรานต์ก็เป็นวันอาบน้ํากันน่ยนะขอขอให้ได้อาบน้ําในธรรมวินยัยคืออาบน้ําคือสัจจะอาบน้ําด้วยธรรมะเข้าถึงความบริสุทธิ์ทุกท่านก็ขอให้ได้ประสบแต่ความเจริญงอกงามในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรุ่งเรืองอยู่ในการทุกเมื่อคว อ, อนุโมทนา